เอาแล้วนะวันนี้ได้มีโอกาสมามาสนทนากันให้ตั้งใจนะวันนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้เราได้เกิดความระลึกกันไปเจอในมิรินทปัญหาในเรื่องของสัตมวรชสติอาการปัญหาพูดในเรื่องของเหตุที่ทําให้เกิดสติเหตุผลที่ต้องพูดในเรื่องนี้ก็เพราะอะไร เพราะโดยส่วนใหญ่ในเราเป็นคนที่มีสติหรือหลงลืมสติง่ายเอามานี่มันโดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นผู้ที่มีอาการหลงลืมสติก็คือเผลอเลอะได้ง่ายนะลักษณะเป็นงั้นใช่ไหมทีนี้เหตุเนี่ยสิ่งอันให้สติเกิดขึ้นนะท่านกล่าวไว้ถึงสิบเจ็ดประการนะในข้อแรกเนี่ยอภิชานโตสติก็แปลว่าผู้ที่ระลึกชาติได ฉะนั้นคนที่มีกําลังสติในการสามารถระลึกชาติได้เนี่ยแปลว่าบุคคลเหล่านั้นเขามีกําลังของสติดีมากอย่างพวกเราลองระลึกไปทียตันไหมระลึกไปก็ติดระลึกไปก็ติดไม่สามารถที่จะสาวหาเหตุหรือระลึกเหตุในอดีตได้เลยอย่าว่าแต่เหตุในอดีตเลยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเละเลือนหมดเลยเนี่ยเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร เพราะเป็นคนไม่มีกำลังของสติที่แข็งแรงมั่นคงใช่ไหมถ้านนท์เนี่ยที่ฟังพระสูตรครั้งเดียวแล้วจำได้เนี่ยเพราะหรือนางโคชุตลาอุบาสิกาที่ฟังพระสัตธรรมมเทศนาพระพุทธเจ้าครั้งเดียวก็จำนํำมาแสดงได้อย่างถี่ถ้วนเนี่ยเพราะอะไรเพราะกำลังของสติทั้งนั้นฉะนั้นคนที่มีกำลังของสติค่อนข้างดีบุคคลเหล่านี้จะมีความจาที่ดีด้วย เาเรีว่าสติเนี่ยมีทีลาสัญญาประทัดฐานามีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสองตัวนี้บวกกันนะระหว่างสัญญากับสติเวลาเกิดร่วมกันขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาจำเรื่องอะไรกำหนดหมายในยเรื่องอะไรก็จะจำได้อย่างแม่นยาและชัดเจนตรงนี้มีอุปการะมากงั้นพวกเราที่เลอะเลือนกันทุกวันนี้พวกเราไม่ตั้งเราไม่ฝึกในการที่จะตั้งสติ โดยเฉพาะในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะก่อนที่จะนอนเนี่ยเราไม่เคยทบทวนเลยไม่เคยทบทวนตั้งแต่ที่เรามาล้มตัวลงนอนแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปนะค่อยๆระลึกระลึกระลึกระลึกเรื่องราวต่างๆไปจนถึงตื่นขึ้นมายังถามว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรื่องที่เราคิดก่อนเลยเนี่ยจําได้ไหมเอามาเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราทําอะไรก่อนเนนกาก้าหนูตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหนูทําอะไรก่อนเลย จำได้ไหมยังจําได้อยู่ไหมเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วมั้งเนี่ยเน้นฟิล์มตื่นขึ้นมาทำไงจําได้ไหมที่ฉันมาเปิดประตูปุ๊บแล้วพวกเราลุกขึ้นปุ๊บเหมือนจาได้ไหมพอปิดไฟปุ๊บหนูก็หลับต่อใช่ไหมใช่ไหม เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยสังเกต ด, ดูไหมว่าบางครั้งแค่วันหนึ่งหนึ่งเราก็ยังระลึกไม่ได้แล้วฉะนั้นคนที่ฟังสังเกต ด, ดูนะว่าฟังแล้วจําได้ทันทีเลยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรในขณะที่ฟังเนี่ยเขาจะต้องเดินเดินเดินระลึกยังไงจะต้องระลึกอย่างมั่นคงในขณะนั้นระลึกอย่างติดต่อและไม่ใส่ใจเรื่องอื่นวิธีฝึกแบบนี้ได้คนนั้นจะเป็นคนที่มีความจําดี ไม่ใช่พอฟังอะไรปุ๊บแล้วก็มองนู้นบ้างมองนี่บ้างคิดนุ้นบ้างคิดนี้บ้างคนลักคนนี้ต่อให้เรียนแทบตายก็ไม่เก่งเขาะายัางเพราะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่วิธีการฝึกสติแต่ถ้าใครนะที่สามารถฟังเรื่องอะไรก็สามารถจับในเรื่องนั้นจดจ่อในเรื่องนั้นแล้วก็ปิดเรื่องอื่นให้หมดเลยเนี่ยนะ ปิดความรู้สึกที่จะไปใส่ใจในเรื่องอื่นได้ทันทีเลยในขณะนั้นเนะี่ยแล้วก็ใส่ใจอยู่เฉพาะเรื่องนั้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยคนลักษณะนี้ต่อไปจะเป็นคนที่มีความจำที่มั่นคงเป็นคนมีที่มีความจำดีทำได้ไหมล่ะคือคือมันมันยากนะถ้าเราไม่เคยทำแต่ถ้าทำเนี่ยเออถ้าตอนว่าตอนนี้ฉันฉันต้องบอกยอมรับว่าตอนนี้ฉันทำไม่ค่อยได้แล้วแต่ก่อนจะเป็นคนที่มีความจาดีมาก ฉันก็มาสังเกตว่าทํำไมตอนเด็กเป็นคนนี้คงมีความจําดีเหลือเกินเวลาฉันจะฟังเรื่องอะไรเนี่ยแปลว่าฉันไม่เคยสนใจเรื่องอื่นเลยเวลาอยู่ในห้องเรียนแม้แต่เสียงลมพัดแม้แต่เสียงอื่นทั้งหลายจะไม่ใส่ใจเลยว่ามีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เคยเคยเป็นไหมเคยมีปฏิกิริยาอย่างนี้เวลาเรานั่งยังหนูแปลหนังสือในขณะที่แปลหนังสืออยู่ปิดข้างนอกหมดเลยไหมหรือยังมีใส่ใจที่อื่นด้วยเออนั่นแหละ พยายามมานสาิกันบ่อยๆระลึกบ่อยๆระลึกบ่อยๆจนสามารถปิดเรื่องราวข้างนอกได้ถ้าทำได้ขนาดนั้นเมื่อไรก็แปลว่าจะเป็นคนที่มีความจำที่มั่นคงและเป็นคนที่มีความเข้าใจอะไรได้อย่างรวดเร็วคิดว่าฝึกได้ไหมมนุษย์นะมันสามารถฝึกได้นะฝึกได้อย่างออยอย่่าางงที่จะสามารถทําความจําให้มั่นคงได้นี่เหตุเกิดของสตินะก็คือว่าฟังครั้งเดียวแล้วจําได้จําได้ทันทีเลย แล้วจะทำยังไงอะไรแถนี้ประเด็นมันคือว่าจะทำยังไงที่จะทำให้มีความรู้สึกว่าเราจะฟังอะไรจะทำอะไรก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นอะไรเป็นตัวกระตุน้นเตือนมีใจรักที่จะฟังในเรื่องนั้นลองไปทำกันดูนะต่อไปนะเอาแค่เอาตอนนี้ฟังนี้ก่อนเนะ่แล้วก็ลองตั้งบอมว่าทำยากไหมยากไม่ยากการที่จะทำความจาให้มันมันม่นคงอย่างนี้ คือการยากใช่ไหมอย่าทําแล้วมีความสุขนะมันจะกลายเป็นคนที่ทําอะไรก็อยู่จดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างมานี่แหละว่าฟังเพื่อเป็นคนฟังได้อย่างทุวนทีฟังได้อย่างถี่ทุ่นฟังแบบฟังอะไรละเอียดจับความละเอียดอ่อนในเรื่องนั้นๆได้ไอ้ตรงนี้ก็ก็ไปฝึกถ้าอยากจะมีสติปัญญาดีนะ ถ้าต้องการอยากเป็นคนที่มีความจำดีมีความเข้าใจอะไรได้รวดเร็วแล้วก็สามารถจับประเด็นอะไรได้ชัดเนี่ยก็ต้องฝึกนะแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะบางทีมันดิ่งนะคือไปเด่นที่สมาธิอันนี้ไม่ได้เรื่องเคยเป็นไหมคือฟังแล้วมันก็ดิ่งอย่างนั้นแหละไม่ระลึกตามไม่ระลึกติดต่อไม่ระลึกติดต่อมันเลยได้แค่สมาธิเป็นตัวเด่นแต่สติไม่เด่นเพราะสติกับสมาธิมันคนละคนละโทนกัน เช่นเราฟังอะไรเบียดเสร็จปุ๊บก็เด้งดิ่งในเรื่องนั้นแหละแต่ไม่ใส่ใจที่จะจําไม่ใส่ใจที่จะเข้าใจนั่นแหละอกรณีงี้แปลว่าเราใช้แต่สมาธิไม่ได้ใช้สติเพราะสติมันเป็นการดึงการตรึงการจับแล้วก็ระลึกร ะ, ะลึกอย่างติดต่อระลึกอย่างติดต่อสมาธิก็แนบชิดแล้วเพื่อให้เพื่อให้ปัญญามาทําหน้าที่วิจัยตามไปด้วยวิจัยตามไปด้วยแล้วก็ล็อกอาลบนั่นไว้ ดึงอารมณ์นั้นไว้จับอารมณ์นั้นไว oh oh ้ไม่ใหอารมณ์นั้นหลุดลอยไปไม่เรื่องราวนั้นห you ลุดลอยไปลักษณะแบนี้ถ้าทําได้งนี้อย่างติดต่อและต่อเนื่องเนี่ยแปลว่าการใช้สติอย่างเดียวไม่พอแล้วไม่ใช่แค่จําแล้วใช้ปัญญามาสอบสวนมาวิจัยมาแยกแยะความเพียรก็ประคองไว้ประคองไว้ยกจิตประคองยกจิตอยู่ตลอดเวลานะคือไม่ให้มันไม่ประคองยกจิตไว้ไม่ให้จิตมันถอยไม่ให้จิตมันท้อถอยไม่ให้มันหดหู่ บางครั้งเวลาเราจะรู้เรื่องอะไรรู้สึกมันเหนื่อยหน่ายอะ่ะมันไม่อยากจะรับรู้ต่อนี่นะไอความเพียรก็ต้องเล้าเร้ากระต้นกระต้นอย่าถอยเฮ้ยอย่าถอยผักผักไว้อย่างเงี้ยเข้าใจยังคอยผักผักไม่ให้ถอยผักให้ลดไปข้างหน้าบุกฝ่าไปข้างหน้าตลอดเลยกรณีแบบนี้นี่คือคือวิทยะไอจิตใจก็เชื่อมั่นความชอบก็เชื่อมั่นว่าเราจะต้องฟังให้เกิดความเข้าใจให้ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าทําอย่างนี้นะริที่สุดเลยได้เลยพอเข้าใจไหมเนี่ย ประการต่อมาคือกระตุมพิกายาสติก็คือว่าผู้ที่จำทรัพที่ถุงห่อของตนเก็บไว้ได้หมายความว่าคนที่เอาทรัพหรือของมีค่าที่เก็บเข้าไว้แล้วก็ทำเครื่องหมายไว้แล้วก็หมันและลึกนี่เป็นเหตุให้สติเกิดอ่าเรามีบ้างไหมเรามีอะไรที่เราจะหมันละลึกบ่อยบ่อยบ้างไหมในชีวิตเราหรือทิ้งเลย ฮะมีไม่มีมีไม่มีที่เราเก็บของไว้ที่บ้านที่อะไรก็แล้วแต่ที่เราหมันระลึกบ่อยบ่อยเหมือนเราห่อซับเขาไว้ห่อของมีค่าเขาไว้เช่นเก็บบันหนังสือสุดที่เก็บของอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมีเครื่องเตือนใจให้เราระลึกถึงบ่อยบ่อยมีไหมมีอะไรบ้างอ่ะที่เราจำได้หนูมีไหมที่บ้านเราเก็บของไว้ที่ไหน อในห้องไหนในกล่องไหนยังจําได้ยังเห็นได้มันระลึกบ่อยๆไหมนั่นแหละการระลึกอะไรเลยบ่อยๆแบบ น, น, นั้นเขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งของสติให้สติเกิดได้ง่ายเข้าใจยังและในที่เนี้ย เ, เราเก็บไอ้ะนะคะนะคะำม้าวเมยย า, ยาวิตามินไว้ตรงไหนแปรงสีฟันไว้ที่ไหนสิ่งของไว้ที่ไหนเรามาร์คเครื่องหมายไว้หมดไหมเก็บไว้ตรงไหนตรงไหนตรงไหน มีไม่มีสบงตากไว้ที่ไหนจีวรตากไว้ที่ตรงไหนอังสะตากไว้ที่ตรงไหนผ้าเช็ดตัวเอาไว้ตรงไหนพับไว้ตรงไหนเข้าใจยังได้ระลึกไหมได้ทําเครื่องหมายไว้หมดไหมทําให้ทําหรือทิ้งทิ้งเละละเลยการทําไว้ในลักษณะนี้แล้วจีวรแต่ละตัวเราทํามารคเครื่องหมายไว้ตรงไหนระลึกไว้ไหมระลึกไน่อยระลึกอันนี้เป็นเหตุของอะไรเป็นเหตุของสตินต้องทํามารคเครื่องหมายไว้เข้าใจยัง เอานี้เอาสะบงสองตัวนี้ไปโยนแล้วเราสามารถจำของเราได้ไหมได้ไม่ได้ทั้งทั้งที่ใส่มาตั้งเป็นสิบสิบวันแล้วเนี่ยฮะจำได้ไม่ได้ฮะนั้นต่อไปต้องทำเครื่องหมายหรือไม่ทาทำหรื อ, อยังอีไม่ได้เรื่องเนี้ยต้องทำหรือมั่นใจว่าจำได้ก็ไม่ต้องทำทั้งหมดที่ทำทำไว้เพื่ออะไรทำไว้เพื่ออะไร เพื่อเป็นการฝึกสตินะประการต่อมาโอราลิกะวิญญาณโตสติก็คือผู้ที่ในคราวคนที่เป็นพระเป็นกษัตริย์ถามว่าคนที่เขาได้รับโอรานใจอย่างยิ่งหรือประทับใจอย่างยิ่งในวันที่เขาได้พระราชาหมากษัตริย์ได้รับมูรธาพิเศษนะสถาพนาเป็นพระราชาหมากษัตริย์ถามว่าวันนั้นเขาจะจาได้ดีไห จำได้ดีหรือไม่ดีดีโอ้โหลืมไหมจะไม่ลืมเลยเพราะโอ้โหมันตื่นเต้นในรับมูรธาพิเศษในการเป็นปลาชามหากษัตริย์เป็นต้นเหล่าเนี้ยได้รับสถาปนาอย่างยิ่งใหญ่เลยเนี่ยในวันนั้นก็ตื่นเต้นไหมพิมพ์ตื่นเต้นใช่ไหมอา้าวถ้าพูดถึงทางธรรมะในวันที่เราบวชตื่นเต้นไหมวันนั้นนะจําได้ไหยจาได้ไม้มวันที่บวชยังจําได้อยู่ไหมมีเหตุาการอะไรเกิดขึ้นจําได้ไหมเออเนนี้แหละ อาถ้าบวชยังจำได้ขนาดนั้นไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไรถ้าบรรลุเป็นพระโสะดาบานันวันไหนคิดว่าจะตื่นเต้ น, นโอ้โหนะถ้าได้บรรลุเป็นพระโสะดาบานันปุ๊บเนี่ยจะตื่นเต้นมากๆเลยอาการโอราณอกโอราน อ, อย่างยิ่งใหญ่ฉะนั้นถ้าใครบอกว่าข้าพเจ้าได้บรรลุเป็นพระโสะดาบานันเป็นต้นปุ๊บเนี่ยถ้าไปถามนะท่านบรรลุเวลาเท่าไหร่ วันไหนขณะไหนอาการบรรลุปเป็นยังไงจําไม่ได้ไอ้นี้เป็นไงจริงไม่จริงขีโมเข้าใจอย่างเหมือนพระราชาหมากรรษัตริย์ได้รับมูราทาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นน่ะเอ๋อเหมือนแบบฉันจำไม่ได้วันอะไรเนี่นีไม่ได้เรื่องแล้วเพราะมีเรื่องเล้าใจประทับใจขนาดนั้นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นไม่จําไม่ได้เข้าใจอย่างไอ้พวกเราตรวันที่คลอดออกจากท้องแม่เนี่ย ถามว่ายิ่งใหญ่ไหมเพราะวันนั้นจเจ็บปวดจังไหมแล้วทําไมเราจำไม่ได้ตอนนั้นสมองเลอะเลือนมากใช่ไหมฉะนั้นหนึ่งพระราชาหมากษัตริย์ได้รับมูราทาพิเศษนะนะได้รับสถาปนาเป็นราชาหมากระสัดหนึ่งจะทเทือนทั้งแผ่นดินเขาประกาศกันทั่งแผ่นดินถ่ายทอดอะไรเยอะแยะมากต้องประทับใจสองคนที่บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้น ฉะนั้นแม้ขนาดจิตนั้นนั้นยังจะจําได้อย่างไม่เคยลืมเลยฝังใจอย่างมั่นคงวันเวลาขณะโอกาสบรรยากาศยังไงการบริรูปธรรมยังไงจะต้องเห็นได้ละเอียดอ่อนชัดเจนมากนี่เป็นอย่างนี้นะนี่เขาเรียกโอราลิกาวิญญาณนโตสติก็แปลว่าเมื่อคราวได้รับปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์หรือคราวได้สําเร็จเป็นพระโสะดาบันเนี่ยโอโหโอราใจมากนี่ประการสามนะประการที่สี่เหตที่ทําให้เกิดสตินะ บอกสาระตรงนี้เดี๋ยวพวกเฮ้เ้ขาเรียกว่าหิตาวิญญาณโตสติก็คือผู้ที่เคยได้เป็นคนที่ได้รับความสุขอย่างมากในการก่อนและระลึกถึงความสุขที่ตนได้เสวยได้นั้นในครั้งนั้นๆมันประทับใจมากเอาดูนี้เราเคยมีความสุขอะไรที่ประทับใจอย่างลึกซึ้งบ้ามีไหมชีวิตที่ผ่านมา สุขจนไม่เคยลืมมันเลยอ่ะมีไหมมีนายมีไหมสุขมากๆเลยแล้วประทับใจมากๆเลยมันสุขจากอะไรก็แล้วแต่สุขจากเรียนจบสุขจากได้รับอะไรต่างอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่ประทับใจที่สุดเลยในชีวิตมีไหมบอ ม, มีไหมความสุขที่ประทับใจที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาที่ระลึกเะ่ไรก็เด่นระลึกเลยก็เด่นมีไหมมีมอะไรอ่ะเรื่องอะไร เรื่องอะไรอะไรเป็นเรื่องอะไรอ๋อแล้วมันสะเทือนใจไงประทับใจใช่ไหมนานนี่อย่างเรื่องนี้เกิดขึ 2> 2, ้นท้องสามปีที่ตอนบวชอยู่ใช่ไหอ๋อประทับใจแบบในทางที่ดีหรือไม่ดีอ๋อ เหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะใช่ไหมเ ป, เ, เป็นเรื่องเกี่ยวกับเลยเป็นเรื่องทั่วๆ่วไปเป็นเรื่องราว ก, การดาเนินชีวิตแล้วแฮมีไหม ที่เล่นเกมแล้วสุขมากๆมีไหมแบบประทับใจเลยอุ้มยู้ยูฟุ๊ฟุ๊บฟุ๊บฟุกัเลยเลกันไม่มีไหมีฟมีไหมความสุขที่ประทับใจห้ามบอกว่าซื้อดอกไม้ให้แฟนนะประทับใจหมอ้าวก้าหนูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมในชีวิติงประทับใจอะ่ะมีเรื่องอะไรไม่มีไม่มีเลยเป็นเรื่องอะไร เนกไม่ออกก็แสดงว่าไม่ชัดสิอ๋ก อ, อก็ไม่มมี่กรณีอย่างนี้ก็คือผูดได้รับความสุขมาในการก่อนแล้วระลึกได้คนบางคนก็จะมีอารมณ์พวกเนี้ยมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการมาสุขบางคนก็ได้เนกขมั ส, สุขสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ได้ภาวะจิตที่ดิ่งในอารมณ์เดียวเนี่ยเขาเขาเคยเจอเนี่ยสถานการณ์ลักษณะเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขประการต่อมาคืออหิตาวิญญาณตสติก็คือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมาแต่การก่อนรละลึกถึงความทุกข์มันฝังใจ่คยฝังใจในเรื่องผิดหวังในเรื่องของทุกข์มีไหมมีไม่มีฮะ ชัดใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นเหตุของสติลึกได้ตลอดจําได้ตลอดนี่เหตุของสติเคยทุกข์เคยไหมเคยโดนโดนด่าใช่ไหมหรือโดนตีโดนตบโดนกระทืบโดนกระทำทำั้งหลายตัวอะไรฮะมีใช่ไหมไม่ดีใช่ไหมเรื่องไม่ดีใช่ไหมอ๋อนั่นแหละฝังใจฉันเองเคยมีเรื่องประทับใจเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์เนี่ย คืออะไรรู้ไหมโดนผ่าโดนผ่าที่ไม่ได้วางยาสลบโอ้โหแล้วเลือดมันทะลักแล้วเอาเลือดไม่อยู่ไม่สามารถปิดเลือดอยู่ได้เลือดโป้ดโป้ปด้ปดโปอ ด, ป อ, ด, ป อ, ดออกมาเลยมันวิ่งกันวุ่นหมดให้เราก็นึกให้ให้จะไปแล้วใว้จะไปแล้วไอ้ยมมันทุกมากเลยนะแล้วอนะีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเนี้ยต้องกางแขนอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะ เ ด, นนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเอากลับแขนเข้าไม่ได้อย่างนี้ถือว่าทุกไหมอย่างนี้จะฝังใจไหมนี่ความทุกข์รักสนอะไรเงี้ยนะถ้ามีเยอะเรื่องทุกนี่ยนยอย่างนี้ฝนะังใจสภาคะสภาคานิมิตโตสติก็คือผู้ที่เห็นซึ่งผู้อื่นสิ่งอื่นเหมือนที่ตนเกี่ยวข้องหรือ ของที่ตนมีก็ระลึกได้นะมันคล้ายคลึงเนี่ยสภาค่าเนี่ของที่คล้ายเวลาเราไปเห็นคนอื่นที่กำลังประสบแล้วมันคล้ายกับเราที่ประสบอย่างนี้จำได้แม่นไหมจำได้แมนเอานี้นะฉันเคยไปเจอคนถูกหมากัด <c oughs> คือหมาลมกัดเด็กเนี่ย พอเห็นภาพนี้โอ้โหปุ๊บขึ้นมามันนึกได้ทันทีโอ้โหครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยถูกหมาลงกัดเพราะเราไปไปเข้าไปสู้กับสุนัขเนี่ยผลปรากฏว่าไปเตะมันแล้วมันล้มพอเราล้มไปเสร็จปุ๊บมันก็ลุมเลยยี่สิบตัวโอ้โหลุมยำเลยถามว่าภาพนี้ฝังใจัหมฝังใจเนี่ยลักษณะแบบนี้เขาเรียกสภาพที่มันคล้ายกัน วิสภ า, าคณิมิตตโตสติก็คือที่ระลึกถึงส่วนต่างอย่งสีสันวนันนกลิ่นรสผลผลิตของดอกไม้อย่างคือมันต่างจากกันก็หมายความว่าเราเห็นความต่างของสีของเสียงของกลิ่นทั้งหลายเหล่านี้ยแล้วมันรู้สึกว่าเห็นจุดความต่างที่ชัดอารมณ์เหล่านั้นมันก็เลยเป็นอารม์แห่งสติที่ทําให้เราเระลึกได้มองเห็นเนี่ยนี่เหตุเกิดของสติประเภทหนึ่งกถาพิญญาณโตสติผู้ที่ได้ไปให้ผู้อื่นบอกให้ระลึกถึง คือระลึกขึ้นได้จากคำบอกของคนอื่นก็คือว่าเรามีคนมาเตือนเราแล้วก็ทำให้เราระลึกถึงสิ่งนั้นได้ก็เป็นเหตุให้เกิดสติได้เหมือนกันนนี่เหตุเกิดสติอาศัยคนอื่นบอกเออบางทีเราไวรับบ้านก็ดีหรือว่าพ่อหรือแม่ หรือสิ่งของเครื่องใช้ของเราที่เราจําตําหนีได้เรานึกเคยนึกถึงพ่อเราเนี่ยมีตําหนีตรงไหนแม่เรามีตําหนีตรงไหนหรือว่าคนที่เราเคยเกี่ยวข้องหลายมีตําหนีที่ไหนเราเคยจําตําหนีเขาได้ไหมเคยจํำตรงนั้นไหมเคยไม่เคยเคยไห ม, ไ, หมไอ้กรณีอย่างนี้เขาะเขีเกิดของสติเหมือนกันลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือสรณะโตสติก็คือ ผู้ที่มีบุคคลมาเตือนว่าท่านได้กระทำสิ่งนั้นไว้ท่านลืมไปแล้วไปพอคิดคิดมีคนมาบอกบอกบอกบอกก็ระลึกได้ลักษณะนี้เป็นเหตุให้เกิดสติเหมือนกันมุทโตสติก็คือจดอักขระไว้แล้วลืมมาดูอีกทีเนี่ยเคยเขียนเคยไหมเราเขียนเขียนเขียนอะไรไว้บันทึกอะไรไว้เบีเสร็จปุ๊บเราระลึกไม่ได้หรอกแต่พอกลับไปดูที่เราบันทึกแล้วก็ค่อ ย, อยๆระลึกจําได้ไหมเอออย่างเนี้ย อ า, าการต่อมาคือว่าบุกคณะคณนาโตสติก็คือว่าระลึกถึงสิ่งของอันใดเป็นของมากก็คือต้องนับดูจึงจะระลึกได้บางทีเนี่ยมันของมันเยอะเราต้องมาคอยนับคอยเคลียร์คอยจับประเด็นเออมันถึงระลึกขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นของเยอะๆเนี่ยนะประการต่อมาก็คือผู้ที่ทรงจําไว้มากได้อยู่สาหะสำเนียก ทรงจําไว้ก็ระลึกดึงข้อมูลเออบอมเคยเป็นไหมเราจําอะไรไว้เยอะๆๆๆไปเสร็จปุ๊บต่อมาต้องมาคอยเรียงเรียงระลึกแล้วมันจําขึ้นมาได้เคยไหมลักษณะ น, นี้เคยเป็นไหมนี่เคยมาจากการทรงจําภาวนาโตสติก็คือว่าตรงนี้เป็นในปุเพนิวาสานุสติเนะี่ยระลึกได้เป็นภาวนานะระลึกระลึกระลึก ระลึกคนหลังได้และประการต่อมาก็คือโปโธทกะนิพันธะโตสติระ ล, ลึกนึกถึงกฎหมายพระราชกำหนดกฎหมายกฎเกทั้งหลายอะไรนี่เป็นต้นที่เราบันทึกเอาไว้ในใบรานในี่ยอะไรก็ระ ล, ล, ลึกได้ประการต่อมาก็เห็นรั์ที่ตั้งไว้ระ ล, ลึกได้ในรั์คือเก็บรัพ์ไว้ระ ล, ลึกได้ ต่อมาก็คือจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดผ้าทั้งหลายที่เคยระลึกอันนี้นี่ทั้งหมดเหล่านี้คือเหตุที่ทําให้เกิดสติที่ต้องการให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าทุกอย่างที่เราเคยทําอะไรทั้งหลายเหล่านั้นมาหรือว่าวิธีคิดใดๆก็แล้วแต่ที่เราจะปลูกฝังแล้วทําให้ให้เกิดสติเป็นต้นได้อาเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังพูดถึงในเรื่องการการให้ทานนะ ในการให้ทาน <c oughs> นี่มีที่จะแนะนำเราในครั้งนี้ก็คือเรื่องนี้เรื่องการให้ทานพวกเราอาจจะลืมไปแล้วนะเรื่องให้ทานในในทานที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในอังคุตระนิการในปัญจาการิบาทเป็นต้นนราบอกว่าในทานของสัตว์บรุษในสูตรที่หนึ่งนาจะตั้งประเด็นไว้นะหนึ่ง ให้ทานด้วยความเคารพสองให้ทานด้วยความยำเกรงสามให้ทานด้วยมือของตนเองสี่ให้โดยไม่ทิ้งคว้างห้าเข็นผลในอนาคตแล้วจึงให้ห้าอย่างนะห้าอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งอะไรให้ทานด้วยเคารพ ให้ทานโดยเคารพจะก้าจำไว้นะหนึ่งคืออะไรให้ทานโดยเคารพสองให้ทานโดยยำเกรงสามถามอะไรให้ด้วยมือสี่ให้โดยไม่ทิ้งขว้างห้าเห็นผลในอนาคตแล้วจึงให้จำได้ยัง แล้วจะได้มาวิ่ัยกันเฟยมจำได้ยังเฮ้ยเฮฮยฟังแล้วเนี่ยไม่มีสติฟังเป็นเงนี้ยหนึ่งให้อะไรสองสองอะไรตั้งใจที่สองอะไรนะให้ด้วยความยำเกรงสามให้ด้มือองตนเองสี่ สีส่ีให้โดยไม่ทิ้งคว้างห้าอะลรวะพวกเรานี่มึงกันขนาดนี้เลยโว้เห็นผลในอนาคตแล้วจึงให้ใช่ไหมอ้าวแต่นี้อนี้ น, นี่นี่สูตรหนึ่งนะนี่สูตรหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำกามเข้าใจว่ามันจะต่างกันอย่างนี้นะให้ด้วยความเคารพคืออะไรก่อนในสูตรนี้อะให้โดยความเคารพคือ คือยังไงเรียกว่าให้โดยความเคารพเวลาเรามีวัตถุมีสิ่งของเวลาเราจะให้โดยความเคารพต้องให้ยังไงจึงเรียกว่าเคารพให้โดยความเคารพคือให้ด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจเต็มใจหรือไม่เต็มใจให้ด้วยความเกรงกลัวหรือจำใจให้นี่ถือว่าเคารพไหมเวลาให้กิริยานอบน้อมหรือไม่นอบน้อมเฮ้ย ไม่ฟังเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วเมื่อกี้บอกให้ด้วยความเคารพใช่ไหมให้ด้วยความเคารพนะคือกิริยาที่ให้นะเคารพหรือไม่เคารพนอบน้อมทีนี้การให้ที่เป็นการให้ด้วยเคารพเนี่ยมันมีการว่าเคารพใน ใน ว, hmm. วัตถุทานกับเคารพในผู้รับอเป็นยังไงคาว่าเคารพในวัตถุทานกับเคารพในผู้รับต่างกันยังไงเคารพในผู้รับต่างกันยังไงใครให้ที่จริงคําว่าให้ด้วยความเคารพกับให้ด้วยความยำเกรงนี่ต่างกันไหมต่างกันไหมคือถ้ายำเกรงเนี่ยมันมันมันลึกลงไปกว่ามันกว้างกว่า คำว่ายำเกรงในที่นั้นหมายถึงว่าเคารพในทานของตนและเคารพในผู้รับถ้าให้ด้วยความเคารพเฉยๆเนี่ยเพียงแค่เต็มใจมีกิริยาที่นอบน้อมมีความเต็มใจที่จะให้เต็มใจจิตสระเนี่ยไม่ได้มีจิตใจอิดออดเลยเต็มใจเลยเบิกบานเลยใช่ไหมและกิริยาที่ให้ก็ด้วยความนอบน้อมกายก็นอบน้อมวาจาก็นอบน้อมอย่างย่งมคำว่านอบน้อมคื อ, อยังไงเวลาให้ของวิ่งเอาไปอย่างนี้ถือว่าให้ด้วยความเคารพไหม เอาไปกินซนะกินให้มันอิ่มเนี่ยเคารอพไหมวาจาต้องนอบน้อมด้วยไหมวาจาต้องเคารพด้วยในการที่กล่าวในการให้ไม่ใช่ให้ด้วยมืออย่างเดียวนี้เป็นต้นเข้าใจนะแต่ถ้าให้ด้วยความยำเกรงแปลว่าเคารพในทานของตนและเคารพในผู้รับการเลือกของที่ดีของที่มีประโยชน์ของที่มีรสเลือดเป็นต้นเนี่ยชื่อว่าเคารพในอะไร คารอบในอะไรเวลาเราจะเอาของไปให้คนอื่นเราก็เลือกของที่ดีของที่มีของที่เลิศดของที่ประเสริฐของที่มีรสดีเป็นต้นนี้ชื่อว่าคารอบอะไรคารอบอะไรคารอบในวัตถุทานของตนเองทำของดีๆทำของทีิประนีดเนี่ยเวลาเราจะเอาดอกไม้ไปไหว้ต้นโพเราก็ถือแบบมึนๆไปเลยถืองงๆไปงั้นเน่ กับการเอามาตกแต่งทําให้ดีก่อนควรทําแบบไหนจริงจรงในชีวิตจริงทําอย่างนั้นไหมแสดงว่าเราเนี่ยระหว่างเคารพกับไม่เคารพในตัววัตถุทานอไหนมากกว่ากันแล้วเคารพให้ของที่เหมาะแก่ผู้รับ เ, เราได้เคยคิดไหมว่าผู้รับสมควรแก่ของนี้ เคยคิดอย่างงี้ไหมเราจะให้ของเนนบอมให้ของเดนแฮมให้ของเนนพีมให้ของกากา้าหรือกาก้าจะเอาของให้ใครเนี่ยเคยคิดไหมหนูเป็นคนที่ฝึกคิดหรือไม่ฝึกคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ตกแต่งจิตอะไรเลยเสียหายมากมันจะเกิดเป็นคนมึนคนงงคนหลงคนไม่ฉลาดในทุกอัตภาพที่เกิดหนูต้องการแบบนั้นไหม ถ้าไม่ต้องการแบบนั้นก็ต้องฝึกไหมต้องฝึกตนเองไหมเฮ้ <Hey. S 1> หนูมาใกล้ๆดีกว่าเพราะอยู่ไกลแล้วหนูจะไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเอามาบีบขาดีกว่านี่ไม่ได้เรื่องแล้วมันนั่งสบายอะ่ะนั่งสบายแล้วแบบเนี้ยใช่ไหมเออเนี่ยนี่ตั้งใจฟังนะอย่าให้ด้วยความเคารพทีนี้มันเคารพตัววัตถุทานกับเคารพในผู้รับถ้าเคารพในผู้รับก็เลือกของที่เหมอกแก่ผู้รับแล้วต้องเลือกผู้รับที่มีศีลไหม เลือกผู้รับที่มีศีลไหมคําว่าเลือกผู้รับที่มีศีลหมายความว่าเราจะไม่ให้ของแกสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีศีลหรือคนทุศีลเลยใช่ไหมแล้วเราจะทํำยังไงอ่ในชีวิตจริงๆของเราควรทํำยังไงเราต้องเลือกใครก่อนอเลือกผู้มีศีลก่อนเห็นไหมทีนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราให้ของเนี่ยเช่นเราเนินบอมนอนไม่หลับเราก็เลยเอาของที่ทําให้นอนไม่หลับไปให้เนินบอมฉัน กรณีอย่างนี้ชื่อว่าเคารพเน้นบอมไหมแปลว่าอะไรอย่างนั้นเวลากินเน้นบอมกินของเข้าไปแล้วร่างกายของเน้นบอมจะต้านไหมโหจะต่อต้านอย่างแรงเลยแต่เนี้ยไอ้กรณีอย่างนี้ผลของการให้ทานชนิดนี้จะทำให้เราได้อะไ ร, รก็นี่ไงที่เราได้บริวารแบบนี้มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยบริวารแบบเนี้ยกระด้างกระเดืองไม่อยากทำตามเลย ง้มเงมืมืมมซึมๆึมเซ่อเ ซ, ซ, ซ, ซสมมติเงียนะไอ้บริวารที่ได้มาอย่างนี้ผลผลของทานอะไรผลของท่านไหนแท้ๆให้ทานแบบเนี้ยถึงได้แบบนี้มาไม่บุญของท่านไหนไหมใช่ไหมไห ม, มาเพราะบุญของท่นานนั้นท่านจะต้องแก้ไขบุญผลของบุญให้ใหม่เนี่ยมันได้มาแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่บุญท่านไหมใช่เลยใช่ไหมเพราะท่านให้มาแบบไม่เคารพไงก็เลยได้มาแบบเนี้ยด้แบบหาไม่รู้เรื่องเลยนะ โหผลบุญของท่านไหนแล้วบุญของพวกเราได้ไหมได้วหมเนี่ยพวกเราก็ทำมาทั้งนั้นแหละเนี่ยเอกเนี่ยถ้าให้ทานแบบนี้มาเยอะจึงได้ผลของทานแบบนี้มามันต้านบางทีมันต้านแบบไหนอะต้านแบบโลภะใช่ไหม มันอยากจะฟังแบบนี้มันอยากจะทำอย่างนี้ไม่อยากจะทำอย่างนี้ต้านแบบโทสะมันโกรธมันหงุดหงิดมันมันง่วงเหมือนอะไรสารพัดหมดแหละต้านแบบโมหะก็ไม่รู้เรื่องมันต้านใช่ไหมเพราะเราไปให้ของต้านเขามานี่แหละั้นต่อไปก็ทามันเยอะๆทำแบบนี้มันจะได้ได้บริวารแบบนี้แหละดีไหมถ้าอยากจะได้บริวารแบบนี้ก็ทาแบบนี้เยอะๆ หนูเข้าใจไหมเนี่ยเอาเคารอบในวัตถุทานก็แปลว่าเราจะต้องตกแต่งวัตถุทานให้ดีหรือไม่ดีให้เต็มความสามารถได้ดอกไม้ไม้อย่างวันนี้ไม่ได้เลยนะออาวันนี้ไม่ได้ดอกไม้เลยใช่ไหมทีนี้อาหารเนี่เดี๋ยวนี้เวลาเราจะกินอาหารเราเคยคิดอยากจะให้ไห ม, มเวลาจะให้ทานแกคนอื่นเนี่ยเราเราต้องเอามาจัดให้ดีๆก่อนจึงให้เขาหรือเอ อ, อ, อให้อย่างนี้เลยป่ะ เราทำยังไงสรุปแล้วก็คือนี่แหละโอ้โหให้ทานโดยไม่เคารพนะเกียดจังน่ากลัวไหมเนี่ยให้ทานไม่ยำเกรงนนฮะให้โดยยำเกรงกับให้โดยไม่ยำเกรงนะก็คือว่าพพุทธเจ้าบอกว่าไง ผู้ให้ของที่เลิศให้ของที่ให้ผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานะที่ประเสริฐใช่ไหมนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีให้ของที่ประเสริญนรชนนั้นบังเกิดหน้าที่ใดๆจะได้ไรได้ไร ก็ได้อายุไงอายุที่เลิศ ก, ก็คืออายุยืนนั่นแหละมียศที่เลิศ ก, ก็โหยศอไม่มีได้ได้ ไ, ดไรเลิศๆหมนแหละก็ถามเอาถามว่าที่เราทํามาจนทุกวันนี้เราคิดว่าเราในอัตภาพถัดไปเราจะเข้าถึงความเป็นผู้เลิศไหมหลายสถานะไม่ถามจริงๆเวลาจะถูห้องจะกวาดทาความสะอาดเนี่ยแล้วถูแบบปับ้นนี้บรรจงทําสะอาดจริงๆตั้งใจหรือ ไปงี้เปล่าทำยังไงทำยังไงโหเขาใหญ่ยงเดีเยนี้โดยส่วนใหญ่เราจะทำแบบประเภทที่ใจมันใจมั น, ม, นมันเต็มใจไหมอ่ะทำด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจฟิลมเอ้ยเดี๋ยวหลังจากฉันเพงเสร็จแล้วหนูไปทำความสะอาดห้องน้ำห้องนี้นะนะนี่ น, น, นี้นี่ใช่นะ หนูได้ยินคํานี้ปุ๊บหนูรู้สึกเป็นยังไงเต็มใจหรือไม่เต็มใจชื่นใจหรือทุกข์ใจฮะสุขใจหรือทุกข์ใจถามจริงสุขหรือทุกข์ฮะสุขหรือทุกข์ไม่สุขกล้าเอยเดี๋ยวฉันเพนเสร็จแล้วหนูขึ้นไปทําความสะอาดห้องน้าข้างบนนะนะนี่สั่งแล้วนะหนูสุขใจหรือทุกข์ใจหรือเฉย เป็นไงความรู้สึกอ่ะอความรู้สึกเป็นไงอาการแบบนี้อ่ะอาการแบบนี้อ่ะเข้าใจยังหนูทำให้มันตื่นเต้นว้าวออกมาได้ไหมให้ใจมันลุกโลงอูชื่นใจบุญของเราแท้เนี่ยทำได้ไหมอลองทำอาการนี้อาการแบบหนูชื่นใจสุดๆเลย อ, อันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าใหม่กล้าเอยเดี๋ยวฉันเพลนเสร็จนะหนูขึ้นไปทำความสะอาดห้องน้ำข้างบนนะ ทำตื่นเต้นที่ครับครับท่านพูดทีโอ้โหแล้วขนลุกตื่นเต้นเลยโอโเราจะไปได้ทําความสะอาดเราจะไปทําความสะอาดของไอที่ของสงเราจะไปชักถูไอที่ใช้ชักโคกให้สะอาดเลยเอามือไปล้วงถ้ามันยังมีก้อนอุจจาปประปัสสาวะอยู่ก็จะล้างให้สะอาดให้มันอืหเข้าไปในห้องนี้ให้ทุกคนเข้าไปหนึ่งสีก็สวยให้สะอาดทั้งหมดกลิ่น กลิ่นทั้งหลายเหล่านี้ที่มันมีคาบกลิ่นโสกกะปกทั้งหลายจะล้างให้สะอาดจะให้คนที่เข้าไปในเขาได้รับความสุขได้รับความสบายได้รับความสะดวกคิดอย่างนี้ไหมคิดอย่างนี้คิดเป็นไหมอ่าคิดเป็นแลดีใจไหมตอนนี้เริ่มดีใจยังแล้วก็ฝังใจไว้ว่าเราจะต้องทำให้สะอาดทำให้ดีทำให้เลิศเขา้าใจยังแล้วพม พ, มพีมเดี๋ยวฉันข้าวเสร็จแล้วนุขัดห้องน้ำนะ ทำตื่นเต้นที่เออเลยทำนี่อาการแบบนี้เข้าใจยังก็คือว่าโอ้ตื่นเต้นแล้วพอเราไปทำก็ทำแบบปราณีตบรรจงมันยากนะฝึกแบบเนี้ยแต่จริงๆควรทำไหมเนี่ยที่ผ่านมาเราไม่ได้ทำแบบนี้เราจึงไม่ได้ของที่เลิศไงเราจึงได้ไม่ได้ของที่ประเสริฐอะไรเลยชีวิตเนี่ย ได้ของแต่อะไรก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าบอกว่าไงผู้ให้ของที่เลิดย่อมได้อะไรได้ของที่เลิดไหมผู้ให้ของที่ดีย่อมได้อนีเราไปทำความสะอาดในห้องน้ำเพื่อจะให้คนที่ไปใช้ห้องน้ำก็ได้ของอะไรได้ห้องน้ำที่สะอาดได้ห้องน้ำที่ดีแล้วเราก็จะได้เข้าถึงฐานะที่เลิดที่เสริ e ที่ดีเขาจะยังแค่นี้แหละหลักการมีแค่นี้แหละเข้าใจไหม ยากไหมเนี่ยทํายากไหมแต่ทําไมเราจรึงไม่ค่อยทําเพราะเราเป็นคนไม่อยากได้ของที่เลือดใช่ไหมใช่ปะใช่ปะ <c oughs> <c oughs> เอา้าเอาเอให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความยำเกรงมีความต่างกันตรงไหนบอมต่างตรงไหนให้ด้วยความเคารพกับให้ด้วยความยำเกรงต่างกันตรงไหน คำว่ายำเกรงเนี่ยแปลว่าเคารพอย่างยิ่งเคารพมากกว่าไม่ใช่แค่เคารพแค่มีกิริย์แค่เต็มใจอย่างเดียวแล้วให้แล้วชื่นใจเต็มใจก็กิริยาที่นอบน้อมไม่ใช่ถ้ายำเกรงแปลว่าคิดลึกลงไปอีกยำเกรงในว่าเคารพในวัตถุทานเลยนะมันลึกลงไปอีกนะมัน ล, ละเอียดลงไปอีกว่าถ้าเคารพในวัตถุทานก็ต้องเลือกวัตถุทานที่ดีที่เลิทเศที่ประเสริฐที่ประณีตที่สวยสดงดงามแล้วก็เลือกผู้รับ ของที่เราทําเนี่ยใครมันเหมาะก็มาพิจารณาแล้วใช่ไหมเลือกผู้รล่าที่เหมาะแก่ของและเลือกผู้รล่าที่มีศีลขยายย่างเนี่ยก็เริ่มแยกแยะเป็นแล้วเนี่ยอันนี้ยำเกรงยำคารอบเการการให้สมมติว่าเน้นไม่ได้หรอกอนายเป็นคนชอบเผ็ดเ อ, อไม่ชอบเผ็ดเลยได้น้ําพริกมาเอาไปให้ทต่นายบังคับไปกินด้วยเชื่อว่าเคารอบหรือไม่เคารอบเพราะอะไร ไปทําให้ร่างกายเขาเป็นยังไงโอ้โหเขาต้องบุนแรงมาแล้วก็ถ้าได้ผลทานชนิดนี้ให้ผลจะเป็นยังไงก็เหมือนที่เราทํากับพ่อกับแมน่นั่นแหละตันวัดนั่นแหละก็เหมือนเราได้มานี่แหละเนี่ยได้มาอะไรได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้ได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ย โอยอย่าว่าหนูเลยไงหนูก็เป็นคนดีขนาดนี้หรืจริงไหมจริงจริงหนูเป็นคนดีกันนะดีไมด่ดีเออบอมหนูหนูว่าหนูเป็นคนที่ต้านไหมต้านแล้ว เ, เราแข็งกับคนที่อยู่ด้วยไหมหรือเป็นคน <laughs> อ่อนน้อมอันนี้แข็งกับเอแข็งกับใครแข็งไหมหรืออ่อนอ่อนน้อม ตรงกลางอยู่ถ้ามีใครจะสอนเราเนี่ยเราต้านไหมอ๋อถ้าสอนดีก็ไม่ต้านเหตุที่ต้านเพราะอะไรเพราะเราพิจารณาดูแล้วว่าท่านผู้นี้พูดไม่ถูกใช่ไหมเป็นอย่างนง้นหรปหรือไม่รู้จังหวะไม่อะไรงี้บ่ต้ต้านพ่อแม่ไหมเคยต้านไหม ถ้าการณีแบบเนี้งั้นก็เป็นผลของพ่อแม่แต่ในขณะที่เราต้านก็เป็นเหตุที่เราทําใหม่นะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะที่เราต้านก็เป็นเหตุที่ทําใหม่ก็ต้องรับกันไปไม่เป็นไรเรื่องเหตุเรื่องผลทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆเลยแท้จริงกันคือเรื่องเหตุเรื่องผลเมื่อทําอะไรไว้มันก็ต้องได้รับผลตามเหตุปัจจัยของมันอยู่แล้ว ก็แค่นี้เองไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องควรเสียใจหรือไม่เสียใจยังไงแต่ควรเรื่องว่าเราควรที่จะตระหนักถึงการทําเหตุและผลให้ชัดแค่นี้เองหลักการมีแค่ตรงนี้ยทีนี้การเลือกผู้รับที่สมควรแก่ของและเลือกผู้รับที่ผู้มีศีลเนี่ยมีคุณธรรมในชื่อว่าเคารพในผู้รับนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้รับเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือผู้รับเป็นผู้ไม่มีศีลแล้วไม่ต้องให้นะควรให้ทั้งสิ้นไหม ควรให้หรือไม่ควรให้แม้สัตว์เดรัจฉานก็ควรให้คนทุ่มสินก็ควรให้ไหมควรไม่ควรควรไหมควรให้แต่ถ้าของเลิอดของประเสริฐของดีควรแกใครเนี่ยเนี่ยควรแก่พูมีสินถามว่าเรามีของดีๆในตู้เย็นเนี่ยของดีๆในตู้เย็นเนี่ยควรแก่ใคร ระหว่างเน้นกาก้ากับเน้นวีมน่าควนแกไครอ่ะถ้าของดีในตู้เย็นสมมตินะมันมีของดีของเลิอดของประเสริฐเนี่ยแต่เราก็ระหว่างจะให้เน้นกาก้ากับเน้นวีมเนี่ยแฮมว่าจะเลือกให้ใครอ่ะเอาเลยมีอยู่ชิ้นเดียวอาะจะเลือกให้ใครเอาแล้วเอาแล้วงานเนี้เราเรียบคิดเรียบคิด ควรจะให้กาก้าหรือให้พิมงงบอมถ้าสมมุติมีแค่ชิ้นเดียวให้เนนสองเนนจะจะให้ใครหให้ใครอ่ะไม่ใช่ให้ให้ชิ้นเดียวให้เลือกผู้มีศีลเนี่ยเพราะอะไรก็ต้องดูว่าใครมีศีลมากก ว, ากว่ากันก็เรียกมาถามไง แต่ละคนต้องถามใช่ไหมว่าศีลข้อหนึ่งจเจริญได้ไหมศีลข้อสองจเจริญได้ไหมถ้ามีใครสักคนนเป็นคนที่จเจริญศีลได้ดีได้ครบกว่าอีกคนนึงก็เลือกให้คนนั้นก่อนเขาจะยางเขาเลือกเราต้องให้ผลทานของเราเลือดสิ <c oughs> <c oughs> พิจารณาไปแล้วโอ้ทั้งสองคนเองไม่มีศีลเลยฉันมีศีลมากกว่าให้ตัวเองดีกว่าอยางงี้ได้ไหมห้าม <c oughs> <c oughs> เขาไม่คิดแบบนี้เขาจม เขาจะยังและประการต่อมาคือว่าให้ด้วยมือของตนเองใช่ไหมข้อที่สามใช่ไหมทํายังไงคําว่าให้ด้วยมืองตนเองเนี่ยให้คิดยังไงคําว่าให้ด้วยมืองตนเองเวลาหนูเคยสังเกตไหมเวลาเขาไปให้ทานเนี่ยเด่กมากอ้าอ้าวอ้าอ า, อ า, อ า, อาแล้วก็ผักให้คนอื่นให้ถ้าไปกับผู้ใหญ่เด็กมากเขาให้ใครแล้วก็ถูกผักให้ให้ตลอดเลยใช่ไหมจริงไหมไม่ค่อยอยากเอาของไปให้ จริงไหมฉะนั้นจริงๆตรงนี้เขาคิดอย่างนี้เวลานี้เราเป็นมนุษย์เนี่ยเวลานี้เป็นไหมหนูหนูเป็นมนุษย์ไหมมีมือมีเท้าไหมมีไม่มีมีอวัยวะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ความจริงเนี่ยไอการทำทานด้วยมือตนเองเนี่ยไม่ควรใช้ผู้อื่นทำแทนอยู่เสมอเข้าใจยังเพราะอะไรเพราะมือเรามีอยู่อวัยวะเรายังครบอยู่เข้าใจยัง ใช่ไหมถ้าใช้ก็ควรจะเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยอย่างงี้นะนอกนั้นควรทําด้วยตนเองเพราะนอกจากจะทําให้เจตนาของเราที่สมบูรณ์แล้วเราได้ขวนขวายด้วยตนเองอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเวลาเดินไปก็บอกว่าเอ่อกาค้าถือดอกไม้ไปฟิมถือดอกไม้ไปทั้งทั้งที่เราถือได้แล้วก็อยากจะใช้เรื่อยเลย แต่ถ้าหากมีเจตนาต้องการอยากจะให้เนยนี่ฝึก ข, ขัดขัดเกาอนอะีกอย่างเลยนะแห้มถือไปบอมถือไปเนะี่ยต้องการอยากจะฝึกอันนั้นอันนั้นไม่เป็นไรหนูรู้ไหมว่าในสังสารวัตที่ผ่านมาเราเคยมือด้วนะมือเราขาดรู้ไหมเราเคยเป็นคนไม่มีมือมาแล้วเคยเกิดเป็นงูไหมงูมีมือไหมไม่มี เป็นช้างนี่จะให้ทานยังไงเป็นสัตว์เดรัจฉานจะให้ทานยังไงเนี่ยกรณีนี้ค่อยพิจารณาอย่างนี้ในวะะัฏฏายาวนานแล้วไม่อาจจะทราบได้ว่าเราเป็นคนเท้าขาดมือขาดเนาะฉะนั้นในขณะนี้เราเป็นมนุษย์มือเรายันขาดฉะนั้นต้องให้ด้วยตนเองให้ด้วยมือตนเองนี่เข้าใจอย่างประการต่อมาคือให้โดยไม่ทิ้งไม่ทิ้ ง, วงคว้างคือยังไงการทิ้งการคว้างคือการ อาการให้เบ็ดโดยไม่ทิ้งคว้างลองช่วยอธิบายคำนี้หน่อยที่แปลว่าอะไรฮะ <Hey, S 1> บอมคำว่าให้โดยไม่ทิ้งคว้างอ๋อข้อนี้เนะี่ยเอาแฮมครับ<อ>ให้ลรวบอก อ, อ๋อ<ด>ทำไมทำไมอ๋อ อย่างให้ข้าวอางเงี้ยไม่ทิ้งคว้างเนี่ยฮะออาหารไปให้เน้นกาคาปุ๊บให้แบบไม่ทิ้งคว้างคือยังไงเออกลองอธิบายคำนี้หน่อยที่คำว่าให้แบบไม่ทิ้งควา้างให้ยังไงให้แบบคำว่าไม่ทิ้งควา้างศัพท์นี้คือการให้ประจาให้ต่อเนื่องนะศัพท์เดิมเลยนะ คือการให้ตลอดให้เสมอไม่ใช่ให้ปุ๊บหายต๋อมไปเลยมันก็ยังนั่นแหละเมื่อกี้ก็ถูกนะไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวการค่าเซอร์วิสเนี่ยแต่จริงๆในหลักของเขาจริงๆก็คือให้ตลอดบางคนเนี่ยโหให้วันพระทีปุ๊บหายต๋อมไปเลยน้ดวันพระทีมาให้ทีอย่างเงี้ยก็เลยใหแบบทิ้งทิ้งกว้าง หรือบางทีหายเป็นเดือนเลยบางคนหายเป็นปีเลยเป็นไหมอาศัยอากับกิริยาแบบเนี้ยคนแบบนี้จะได้อะไรไม่ติดต่อต่อเนื่องมันจะได้มาเป็นพักๆอย่างพวกเราเนี่ยสังเกตดูนะดูบุญของพวกเราเนะบางวันก็มีคนเอาอาหารมาถวายบางทีก็หายไปนี่แปลว่าอะไรให้แบบนี้มาเยอะโอ้วัวนดีคืนดีมากันฟื้ เนี่ยเราเราเร า, เราชอบทำทานแบบทิ้งทิ้งกว้างๆไงมาซะเต็มกุดเลยบางทีได้วันเดียวเพราะอีกวันหนึ่งหายเนี่ยเนี่ยเราจะได้รับทานแบบนี้ตลอดเพราะเราไม่ได้ทําให้ติดต่อไม่ได้ทําเสมอเราไปทําแบบทิ้งทิ้งกว้างๆจําไว้อย่าทําแบบนี้บางทีเนี่ยช่วงต้นของชีวิตดีพอมาระยะหนึง่งหลุดหายไปแล้วโดยส่วนใหญ่ที่โลกใบนี้เป็นที่ดูบุญดูบาปเนี่ย นั่นสังเกตดูวยนะเราจะเห็นชัดเนี่ยอาจารย์มองเห็นเห็นเนี่ยเห็นหมดแล้วกําลังทานกับพวกเราเนี่ยถึงไปอยู่ในอัตภาพไหนเพศไหนบอมนี่ออกไปก็ลําบากทานกุศลมันไม่ให้ผลเพราะเราไม่ได้ทําเสมอไม่ได้ทําติดต่อไม่ได้ทำต่อเนื่องลองดูนะเวลาที่เหลือเนี่ยได้อาหารมาเอามาถวายพระดูแลพระเนนก่อนให้ท่านอินน้ําสํำลามทุกวันทําจริงๆเลยนะ แบบติดต่อต่อเนื่องทุกวันทุกตอ น, นไม่หยุดเลยอะทํำเงี้ยนะว่าให้กอดบริโภคที่หลังให้กอดบริโภคที่หลังทําให้ติดต่อและต่อเนื่องอะแล้วต่อไปบริบูรณ์ไหมคนประเภทเนี้ยบริบูรณ์เพราะไม่ทิ้งไงไม่ทิ้งทิ้งคว่างไงไม่เข้าใจมั้งเนี่ยหนูเข้าใจไหมเ ข, เข้าใจไหมทําเสมอ ให้โดยไม่ทิ้งคว้างการให้ประจําเนี่ยเรียกว่าไม่ทิ้งคว้างถามว่าเราให้ทานทุกวันไหมงั้นต่อไปตั้งไว้ในใจนะพิมพ์ว่าจะให้ทานทุกวันทําได้ไหมเนี่ยเราหยิบของถามครูบาอาจารย์ถามเพื่อนนะว่า ไปถามหลวงพี่ครับอยากจะฉันอะไรครับพี่เนรครับอยากจะฉันอะไรครับหรือถามพี่ฟิล์มครับอยากจะฉันอะไรครับถามบ่อยๆได้ไหมแล้วก็ไปเอามาให้เขาเอามาให้เขาทำทุกวันได้ไหมทำเสมอเสมอทำได้ไม่ได้อ่าลองทาท่าดูทีอา่าลกไปที่ไปถามใครเนียถามใครดีตอนนี้อา่าถามดิ ก็จ ะ, จะเจริญทานกุศลของหนูจะทำยังไงล่ะหนูจะทำไงพี่บอมครับถามดิอยากจะฉันอะไรครับถามดิอย่างเงี้ยยลักษณะแบบนี้พอเขาบอกพอพี่เ็าบอกอยากจะทานอะไรปุ๊บก็ลุกขึ้นไปเอามาให้ด้วยความเต็มใจด้วยความนอบน้อมเข้าใจยังเอาข้อที่ที่ห้าเห็นผลในนาคตแล้วจึงให้ เข้าใจคำนี้ไหมอา้าวบอมเห็นผลในอนาคตแล้วจึงให้หมายหมายถึงอะไรเห็นผลในอนาคตแล้วจึงให้แฮมคิดด้วยคําว่าเห็นผลในอนาคตแล้วจึงให้ช่วยกันคิดอา้าวช่วยกันคิดทั้งหมดแล้ใครคิดได้ตอบเลยไม่ใช่ไปถามกังวลอย่างเงี้ย เห็นผลในอนาคตแล้วจึงให้อว่าไงนะเมื่อกี้หนูว่าไงอ๋เห็นว่าจะดีในแพงหน้าจึงให้เห็นผลอ้าโอเนี่ยน้องก็ยังตอบได้เลยเอกเอาไงเห็นผลในอนาคตแล้วจึงให้หมายถึงอะไร แล้วไรต่อฮะแล้วเห็นผลในอนาคตอืมอืมอืม <c oughs> การเห็นผลเห็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเนี่ยเห็นไม่ค่อยยากเห็นไม่ยากนะเช่นเราจะให้อาหารแก่ใครให้ที่อยู่แก่ใครให้เสื้อผ้าให้เครื่องนุ่งห่มเขาจะรับความสะดวกสบายยังไงปุ๊บเนี่ยโดยมากเราเราคิดตรงนี้ไม่ยากมันเห็นเห็นอยู่แต่ถ้าเห็นเชื่อไหมว่าจะเห็นผลที่เกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตเห็นอย่างงี้ไหมเราเห็นแบบนี้ไหม มันเหมือนอย่างนี้ว่าเราเดินทางเนี่ยเราขับรถที่จะเดินทางเนี่ยเราเห็นไหมจุดหมายมันจะไปตรงไหนแล้วเราเห็นไหมในทานกุศลเนี hmm. exactly. well, <wed> like ่ยทานกุศลมันเป็นทางดําเนินของปริยะเป็นทางดําเนินเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเส้นทางที่เราจะเดินไปสู่พระนิพพานจริงไหมมันเห็นอย่างนี้จริงๆริงไหมเชื่อไหมเชื่อไหมว่าทานนี้อ่ะให้ทานมันมีผลจริงเนี่ยเชื่อหรือไม่เชื่อก่อนเชื่อไหมทานน่ยมีผลของทานมีจริงเนี่ยเชื่อไหม ทานมีจริงผลของทานมีจริงทานทำให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์จริงไหมจริงไหมจริงแม้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มั่งคั่งสมบูรณ์ได้รับเนี่ยเชื่ออย่างนี้จริงๆริ้ยมเชื่อไหมและการให้ทานเนี่ยมันเป็นการขัดเกลา่ตนตณีราคะโทสะโมหะได้จริงเนี่ยอันนี้เชื่อไม่เชื่อ นี่มันเห็นไหมเห็นผลตัวนี้ไหมว่ายิ่งสละแล้วกิเลสในใจมันถูกสละออกไปด้วยได้จริงเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมเขาให้เห็นตัวนี้ก่อนมันจึงให้ไม่ใช่ว่ามาให้จนจนเป็นเป็นรูปแบบเป็นแบบแผนเป็นแบบอะไรเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้วิจิตวิจัยอะไรเลยเงี้ยมันก็เหมือนก่าเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราไม่ได้เห็นผลในอนาคตไอ้ตรงนี้สําคัญนะ สำคัญมากเลยนะว่าบางทีเราเราจะให้ทานกันเนี่ยเราไม่เห็นผลของทานก่อนแล้วจึงให้ใช่ไหมเอาน้ำเอาน้ำให้เน้นฟิลมดื่มให้เน้นกาก้าดื่มให้เน้นแฮมดื่มฉันเนี่ยเอาให้บอมดื่มเนี่ยเราเห็นไหมว่าเขาจะเขาดับกระหายกับเขาได้เห็นไหมอย่างเงี้ยมันเห็นไม่ยากนี่เห็นแบบเนี้ย เมืเ่อเขาดับกระหายได้เขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่างกายแข็งแรงความสุขจะเกิดขึ้นผิวพรรณงามจะเกิดขึ้นเขาจะได้มีสติปัญญาคิดอ่านมันเห็นหมดไหมพวกนี้ยแล้วมันเห็นไหมว่าจริงๆแล้วการที่เราสละเราให้อย่างเนี้ยผลของทานชนิดเนี้ไงทานมีจริงผลของทานก็คือการที่เราจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์จะเป็นมนุษย์แล้วจะมั่งคั่งด้วยซั์ตลอดถึงทานเป็นตัวขัดเรา ประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเนี่ยขัดเราทําลายความตันหนีในใจเราทําจิตมันลอยเปิดกว้างขึ้นและเป็นการชําระภายในได้ด้ว ย, ยวเห็นอย่างนี้ไหมแล้วเห็นนะี่ยังทั้งสรุปแล้วทานเนี่ยเป็นการให้ทานเนี่ยถ้าให้ด้วยความรอบรู้ด้วยความเข้าใจเป็นมัชฌิมาปิิปทารมไหมแต่ถ้าให้โดยไม่รู้ไม่เข้าใจเป็น เป็นมิจฉาปฏิปทาไหมเป็นนะใช่ไหมฉันทาทานังเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาโทสะทานังโมหาทานังกุรังสถานังสักสะชานังสมณทานังเนี่ยพวกนี้นะการดําเนินไปตามเส้นทางนี้ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาแต่มันมีผลไหมมี <c oughs> มันมีทั้งหมดเลยนะทานทุกชนิดมีผลหมดงั้นให้เห็นผลในอนาคตตรงนี้ก็ฝึกวิจัยกันเนาะ ให้เกิดความเข้าใจให้ชัดเนี่ยการที่จะก้าไปสู่สวรรค์และมรรคผลนิพพานได้สัตว์บุุษเห็นอย่างนี้แล้วจึงให้ทานหนึ่งว่าไงนะให้โดยความเคารพสองให้โดยความยำเกรงสามให้ไดยมืองตอนเองสี่สี่อะไรให้โดยไม่ทิ้งคว้างห้าเห็น เ, เห็นผลของทานแล้วจึงให้โอ้โหทําไมชีวิตของพวกเรานี่สติเลอะเลือนกันเหลือเกินอันนี้ในในอาทานของสัตวร์บรุษรสูตที่หนึ่งอะต่อทานของสัตว์บุรุษของสูตรที่สองนะหนึ่งให้โดยศรัทธาสองให้โดยความเคารพสามให้ที่เป็นตามการอ น, นสมควรสี่ สี่ให้โดยมีจิตอนุเคราะห์จึงให้ให้สลาขาดนั่นแหละห้าก็คือให้โดยไม่กระทบตัวและบุคคลอื่นอ่าหนึ่งอะไรนะให้ด้วยศรัทธาเป็นศรัทธาทานังนะสองให้โดยความเคารพสามให้ได้รลเเป็นการระทานให้แบบการระทาน 4. ี่ ให้โดยจิตอนุเคราะห์ห้าให้โดยไม่กระทบตัวและบุคคลอื่นนี่จําได้จําได้ยังเฮยพวกอเองไม่ค่อยกินไม่ค่อยกัดสรรความรู้เลยดูตายเองเนี่ยตาเหมือนแพ้ในตาเหมือนแพ้ไม่เหมือนราชสีเลยอ่ะแพ้เข้าไว้ทาอะไรเชื่อบูชายันพวกหนูเป็นอะไรทำไม จริงเลหนูเชื่ อ, อางนี้จริงเอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งความรู้สึกผิดหรือถูกผิดวิธีการคือทอําทยัางไงทํายังไงทําไงถึงจะถึงจะตั้งใจใถูกหนูต้องเป็นคนใฝ่รู้คือมันกระตือรือร้อนอยากที่จะรู้อ่ะทําได้ไหมแบบเนี้ยอยากที่จะรู้อยากที่จะเข้าใจ เพราะคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจคือคนโง่คือคนไม่รู้เรื่องเข้าใจยังเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเราจะต้องรู้แต่ก่อนเน้เ น, นแห้มก็เป็นนะเป็นคนไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้นใช่ไหมเรื่อยๆเอ่ยบอมเป็นไหมเป็นคนฝ่ายรู้ไหมโน้บเป็นคนฝ่ายรู้ไหมเป็นไม่เป็นจริงๆได้อัธยาศัยเป็นไหมอยากรู้อยากเห็นเอกเป็นไหม เป็นคนอยากรู้อยากเห็นไหมอ๋อแต่เป็นการแยกใช่ไหบางอย่างอยากรู้บางอย่างไม่อยากรู้นายเป็นไงเป็นคนไยรู้หมเล่โอ้โหโอโหตรงนี้ต้องฝึกต้องฝึกแล้วก็เรียงลำดับให้เห็นความจำเป็นเหนความสำคัญแล้วก็ายที่จะรู้ยิ่งแก่ตัวไปแล้วเนี่ยวิชาความรู้ทั้งหลายไม่ใช่อยากรู้ไปทั้งหมด ต้องเริ่มลดลดตามจํานวนแล้วเอาความรู้ที่จะเกื้อกูลชีวิตจิตใจตัวเองไปสู่จุดหมายที่ตัวเองตั้งไว้ถ้าอย่างเงี้ยต้องฝ่ายรู้ให้เยอะเลยอ่ะอย่างเงี้ยมันจะต้องอยู่ในโลกใบนี้เยอะถ้าเป็นเออเอ อ, อย่างเงี้ยยุ่งเลยแล้วต่อไปลำบากเข้าใจว่าหนูต้องปรับทัศนคติใหม่ปรับวิถีความคิดใหม่เข้าใจยังเข้าใจนะหนูหนูเป็นคนไม่อยากเรียนเพราะเรียนแลว้วกลัวจะไม่เข้าใจแล้วเขาสู้เขาไม่ค่อยได้อย่างเงี้นใช่ไหมหนูคิดอย่างเงี้ยตลอดเลยใช่ไหมแล้วคิดเลยนะตอเนี้นะ ไม่มีใครไม่มีใครเก่งมาในท้องมาเรียนรู้กันใหม่หมดเขา้าใจยังเรียนเท่ากันได้หมดเรียนทันกันได้หมดแล้วก็สามารถเก่งได้ด้วยเขาย้าใจยังคิดอย่างนี้นะโอเคไหมหนึ่งให้ทานด้วยอะไรเมื่อกี้ให้ด้วยความให้ด้วยศรัทธาสองสามออให้ตามการกิการลทานสี่ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ห้าให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นอา้าวให้ด้วยศรัทธาให้ยังไง ศรัทธาเนี่ยเชื่ออะไรเชื่อก ร, รมและผลของกรรมเชื่อกรรมคือการกระทําและเชื่อผลของการกระทำในความเชื่อลักษณะเนี้ยเชื่อไหมเชื่อเชื่อกำไหมเชื่อกำไห ม, มกรรมคืออะไรการกระทรําอ่ะในขณะนั่งอยู่อย่างเนี้ยเราใช้กรรมด้านไหน กำลังทํากรรมทางไหนทางกายทางวาจารหรือทางใจอยู่ในขณะที่เอามือบีบขาเป็นอะไรอย่างงี้เขาเรียกอะไรตั้งใจบีบอย่างงี้เป็นอะไรเป็นกายกรรมไงถ้าไม่ตั้งใจเป็นกายกรรมที่อ่อนแอมากใช่ไหมเป็นคนที่มีความการการะทํายังไงเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคนแบบไหนเอามาคนแบ บ, แบบนี้ยทําแบบไม่ตั้งใจอะไรวะจะบีบขา ต, ตั้งใจหมอ่าลองลองลองลองทาด้วยความตั้งใจทีอ่ะทําทสองมือที่ต้อทําด้วยความตั้งใจแล้วตอนนั้นจิตเป็นยังไงหูเบื่อเกินเี้ยคิดองเงี้ยแบบมีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่าทําแบบตั้งใจก็ทํายังไงลองทำดีนี้ตั้งใจแล้วใช่ไหมเต็มใจไหมบีบขาด้วยความเตรียมใจไหมเต็มใจไหม ตั้งใจไหมตเต็มใจมไหมว่าทําเต็มใจได้แค่นี้เองเลยนี่เต็มที่เองแล้วใช่ไหมเต็มที่เลยเ อ, อาสมมติถ้าไอ้นนี้เป็นขาของแฟนหนูหนูจะบีบด้วยความเต็มใจไหมเนี่ยไม่พูดให้เด็กเข้าใจว่าจริงๆเนเข้าใจยังว่าจริงๆแล้วบางทีเต็มใจเน่ะเห็นได น, น่อยดูพี่แฮมก็ทําทำเขาทขขาทด้วยความเต็มใจ อที่ทำด้วยความเตรียมใจเขาอะไรเชื่อก ร, รมกรรมคือเชื่อการกระทําแล้วว่าจะต้องมีผลเอาเวลาเราให้ทานให้ทานด้วยความเชื่อว่ากรรมนี้การกระทํานี้มีผลหรือไม่มีผลในการที่เชื่อกรรมแล้วผลของกรรมตรงนี้จิตมันจะล่าเริงจิตจะผ่องใสใช่ไหมจิตมันจะเกิดโอ้โหเบิกบานมากพอเชื่อกรรมแล้วเราก็จะต้องทําให้มันดี โอ้ย oh, แต่เนี่ยมันตกแต่งแล้วมันตกแต่งแต่วัตถุทานไม่พอนะมาตกแต่งจิตของตนเองด้วยโอ้ oh, ใส่เครื่องประดับมากมายเลยใส่อะไรบ้างเป็นเครื่องประดับจิตบางคนใส่โลธธหะโทสศโมหะเป็นเครื่องประดับก็ไม่ได้เรื่องแล้วใช่ไหมนี่เราก็ใส่ไงใส่ศรัทธาใส่ความเพียรเข้าไปใส่สติสมาธิใส่ปัญญาเข้าไปโอ้ oh, มีเครื่องประดับงามมากนะจิตอ่อนโยนจิตผ่องใสจิตล่าเลงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ความเชื่อตรงนี้ ผลของทารชนิดนี้เป็นไงเนี่ยเวลาให้ทานด้วยด้วยศรัทธาเนี่ยเวลาได้ผลผลของทานนี้เกิดขึ้นเป็นยังไงมั่งคั่งไหมมั่งคั่งมีโพกทระซับมากเป็นต้นไหมถ้าได้รูปปักายมาจะงามไหมอ่ะอ่ะสมมตินะไม่ต้องสมมติแล้วหนูกากาเนี่ยสมมเณรกากาเนี่ยมีขาแล้วก็ทำหน้าเซ็งไหมเซ็งเซ็งเซ็ง ทำกรรมประเภทนี้ใช่ไหมหรือให้ทานเนี่ยแบบหน้าเซ็งเซ็งเบื่อเบ่อพอได้อัตภาพมาหน้าตาเป็นอะไรก็หน้าแบบนี้แหละหน้าที่ได้มานี่แหละเคยเห็นหมาบางพันไหมเหมือนเจ็บอยู่ตลอดเวลาหน้าบู่ทู่อยู่เนี้ย <c oughs> <c oughs> เคยเห็นไหมนั่นแหละมันให้ทานแบบเซ็งเซ็งเข้าใจยังอายุสั้นโดยในบุญ เ, เหมือนเหมือนเจ็บอยู่ตลอดเวลา มันมันเจ็บปวดตลอดเวลาอย่นี้อย่าทําแบบนี้นะเวลาจะทํากรรมอ่ะให้ทํำด้วยจิตที่เบิกบานผ่องใสเวลาได้รูปปัจฉันมามันก็งามให้มันเจ็บปวดมันไปดูดูดูอะไรนะปัจจุบันให้ไปดูคันช่องดูกระจกบ่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ดังไปที่ไหนก็ท่านรู้จักคาคันช่องไหมํามไหมบอกคันช่องของแม่กัลยาเทศนใี่ไขว้างแม่กัลยเกตอ๋อเขดูแลปุเพศนิวาสกัน เขาเรียกคันช่องกันเดี๋ยวนี้มันโอ้โหฮือฮาเต็มไปหมดนะเนี่ยถ้าไปที่อยุธยาเนี่ยเกาจะแต่งชุดไทยเต็มไปหมดแหละเขาเรียกว่าไอละครฟิวเวอร์เนี่ยการการที่เราให้ด้วยไม่ศรัทธาเนี่ยเราก็จะได้ของที่ไม่เลิศของที่ไม่ดีเห็นไหมของบางครั้งดีเนี่ยแต่เราดันไปวางใจไม่ดีซะนี่เสียหายเลยอะ่ะใช่ไหม โอชาทำของทั้งดีทั้งเลิศทั้งประเสรศิฐดันจะไปทําหน้าหงิกหน้างอหน้าเศร้าหมองตังนี้ อ, อไม่ไม่ได้ฉลาดเล ย, ยงไงเสียหายอย่างตัวเนี้ยงั้นโผขามากเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสด้วยผิวพรรณงามหรือไม่งามเอาลองทําความโกรธไปให้ทานเนี่ยผิวพรรณจะเป็นยังไงโอ้โหผิวพรรณหน้าเกียดเลยสิวเต็มหน้าเลยใช้ครีมก็ไม่หาย เข้ใจนะเอา้าเนี่ยให้ทานโดยโดยมีศรัทธากับไม่มีศรัทธาไหนดีกว่ากันอ่ามีศรัทธาดีกว่าศรัทธาคือจิตผ่องใสเชื่อมั่นเหตุเชื่อมั่นผลเชื่อกรรมและผลของกรำเชื่อมั่นในคุณของวรารัตนาตายนะโนไปไปเอาน้ำมาให้ขวด นี่นเป็นสัตวงขาลิกนะค่อยดูอ่าค่อยดูกาคาเขาให้ทานนะเขาจะให้ด้วยจิตผ่องใสหรือไม่ผ่องใสนอบนอบ้อมหรือไม่นอมนอ้อมดูนะอะลองดูเขาทํำสิอ่าค่อยดูนะค่อยสังเกตดูที่วิธีการให้ทานเขาก็ให้ยังไงเขาจะให้ยังไงนะะออค่อยดูนะเนะี่ยยังไม่เป็นเรื่องเวลาเลยอ๋อต้องดูสิอ่าให้ทานยังไงอ่๋อา มาคอดูก็ให้ทานนะอ่าไ อ, อ้ลองดูใช่วิัยทีแบบนี้ชื่อว่าให้ทานแบบไหนกล้าหารหรือไม่กล้าหารองอาจไหมองอ่เออเกาวแขนเกาวขาเกาก้นเลยจับดีๆจับดีๆตั้งใจแล้วก็น้อมใจดิ่งด้วยสมาธิด้วยความเคารพถ้านะทําดีทําด้วยความเต็มใจเต็มใจไหมหนูเต็มเต็มใจไหมง่ายยกขึ้นจบที ยกขึ้นยกขึ้นทีน้อมทิศะลงอจิตเบิกบานไหมโอ้อย่างเงี้ย ใ, ให้แล้วแล้วให้แล้วงี้กินยังไงเนี่ยงี้กินยังไงเนี่ยเอาใหม่ทีทําไงดีเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเลยให้ทานยังไม่อดูสิหนูดูสิดูดูวิธีการให้ทานสิหนูจะเรียนเป็นตัวอย่างเขาไว้ใช่ไหม ให้ด้วยความเคารพก็คือกิริยาที่เคารพนอบน้อมอ่าเต็มใจไหมนอบน้อมไหมแล้วใช้คำพูดให้ด้วยได้ไหมบอกทีบอกว่าผมเอาน้ำมาถวายครับเนี่ยเปิดให้ด้วยที่ไม่เปิดก็อีกโอ้โห ไม่พร้อมเลยเงี้ยเนี่ยลักษณะเนี่ยลองเวลาจะให้ทานต้องต้องฉลาดในการที่จะให้เขาใช่ไหมให้โดยไม่เคารพกับให้โดยเคารพมันต่างกันยังไงถ้าอยากมีบริวารกระด้างกระเดืองก็ให้โดยไม่เคารพถ้าอยากนอก้นองๆก็ให้ด้วยความเคารพนะอะ่ข้อที่สาม การลทานการลทานให้ยังไงให้ตามการอันควรคือไงการลทานมีอยู่ห้าอย่างตามหลักเลยนะหนึ่งอาคารตุกาทานแปลว่าอะไรให้แก่ผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนเองเวล า, ามีคนมาหาเราเขาเป็นอะไรกับเราเขาเป็นแขกเป็นอาคารตุกะนะเป็นอาคารตุกะ กิเลสอยู่กับเราตลอดไหม mm. ไม่ตลอดแล้วตลอดก็ตายเลยสิ mm hmm. นานๆเขามาเยี่ยมเราทีใช่อหม mm hmm. อเป็นแขกนะนะี่ยกิเลสเนะี่ยว่ากิเลสมาเราต้อนรับเขายังไงอย่างางี้แหละมันมัน <c oughs> มันเสียหายกับเราตรงนี้แหละเราไปต้อนรับผิดคนทั้นี่เขา้าใจยัง mm hmm. อาคารตกกาสทานเนี่ยหมายถึงค <c oughs> ู่ม้าใหมอ่อ่ะ ยังไม่รู้จักสถานที่ยังไม่อะไรทั้งหลายเหล่าเนี้ยนะเราก็ต้อนรับเอาอะไรต้อนรับเขาเวลาแขกมา<ล>พวกเราบางทีมีพระมาแต่พวกเราขาดพวกนี้มากเลยเดินเฉยไม่รู้เรื่องยบางที่ยกมือไหว้แค่นี้ยกสวัสดีครับเราไม่มีของถวายเขาไม่มีเชิญเขานั่งไม่มีอะไรเงี้ยไม่บอกเขาเลยอ่ะ นิมนต์นั่งคาปูอาสนะหรือนิมนต์นั่งตรงนั้นเอาอะไรต่างๆต้องเอาเอาอน้ําไปถวายเขาอะไรเขาถามเขาเป็นยังไงพวกนี้เป็นราคาโอกาสทานเข้าใจยังเป็นการต้อนรับต้องต้องฝึกนะพวกนี้นะเวลาใครเข้ามาที่กูดนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเป็นเลยที่อย่างก็กูดไม่มีคนเรียนไม่มีการศึกษาไงก็ไม่รู้โดดหนีกันบ้างหลบกันบ้างอะไรก็ไม่รู้เป็นไหมแต่ ต้องกุลีกุจอที่ใช่ไหมการเป็นเอเขาเรียกว่าปฏิสันฐานนะเราเรียนธรรมะมาแล้วใช่ไหมปฏิสันถานมีเท่าไหร่สองอมิตรปฏิสันฐานปฏิสันฐานได้อมิตรที่นั่งเลยอาสนะของกินของใช้ทั้งหลายเนี่ยต้องต้อนรับเขาสองธรรมะปฏิสันฐานกับสนทนาสนทนาเขาให้ความเย็นตาเย็นใจกับเขาพูดจาเพล้ออะไรทั้งหลายก็แล้วแต่ใช่ไหม เป็นคนต้องมีปฏิสันถานเขาจะยังห้ามไม่มีมาปุ๊บฟุบเข้าห้องเลยฟุบหลบเลยเงี้ยเงี้ยเขาบอกไม่มีปฏิสันถานเขาใจะยังวิ่งหลบกันหมดเลยเงี้ยตายดีแต่เงี้ยฉันก็ต้องมานั่งอยู่นี่แหละแต่นี้โอ้โหจะลุกจะทํานั่นก็ไม่สะดวกบางคนเขาก็เน้นวิ่งหายหมดเลยตอนเนี้ยถ้าทําถูกหรือไม่ถูกเนี้ยไม่ถูกอีก นี่อาคารดูกาทานสองขมิกาทานแปลว่าอะไรคมิกาผู้ที่จะไปเตรียมตัวจะไปอ่ะเตรียมตัวที่จะไปยังถิ่นอื่นที่เขาจะเดินทางเนี่ยเรามีพาานะของกินของใช้ของแรงต่างต้องทำแม่ต้องให้เขาเขาจะเดินทางยังไงเ็ามีร่มไหมมีรองเท้าไหมมีอาหารไหมมียานผาานะไม่ดูแลเขาเขาจะยัง ขาจะไม่เนี่ยคำพิกทานาได้ให้ทำไหมพวกนี้เราทําบ่อยไหมฮะเนี่ยพวกนี้จะเป็นคนผิดหวังเดินทางก็ผิดหวังไปที่ไหนก็นั่นแหละเดินปะเนะยไม่ค่อยมีคนเกื้อกูลอะไรหรอกพวกนี้เพราะไม่ได้ทําคำพิกทานไว้ทุบพิกานหมายถึงอะไรทานทานสมัยที่ข้าวยากหมากแพงเขาเรียกเป็นทบุบทุบพิขพิขท า, าน ทานในสมัยข้าวยากมากแพงอดอยากเนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยไฟไหม้น้ำท่วมขาดแคลนอาหารทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอะไรเนี่ยขยาย่งังต้องช่วยเหลือขนขวายทราบข่าวแล้วต้องกระตือรือร้อนนะช่างหัวมันช่างหัวมันที่เคยคิดอย่างนี้ไหมเยังมีคนมีน้ําใจหรือไม่มีมีไหม แล้วก็นวะสัตสานแปลว่าอะไรนา ว, วะสัสสสาแปลว่าข้าวเลยการให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีลโอ้เวลาหน้าที่ข้าวออกใหม่ๆโอ้โหเราต้องหาข้าวใหม่ๆข้าวหอมมะลิข้าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้กับคนมีศีลใช่ไหมนวะพละทานผลไม้ เน่ยยามผลไม้ใหม่แกผู้มีศีลอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการาทานนะข้าวใหม่ก็ดีผลไม้ที่ออกใหม่ตามฤ ด, ดูกาลก็ดีไม่ใช่จะมีอยู่เสมอไปนะเป็นครั้งเป็นคราวตามฤ ด, ดูกาลศาสตร์บุุษก็ย่อมสแสวงหาของใหม่ๆนะที่มันเกิดมีตามฤดูกาลใหม่ๆเนะี่ยให้แก่ผู้มีศีล น, นะนะถวายแกประสงค์ผู้มีศีลแล้วก็บริโภคภายหลังขยายยัง ให้ก่อนแล้วบริโภคที่หลังลักษณะอย่างนี้คือเป็นคนที่ฉลาดในการทำการระทานใครที่ทำการละทานแล้วได้สมหวังก่อนคนอื่นมีใครบ้างในอดีต อ, อัญญากรธ ญ, ญาเห็นไหมเป็นต้นเนี่ยเนี่ยกลุ่มพวกนี้กลุ่มการระทานพวกเราเนี่ยชะลอยเลยชัดเลยผิดหวังในการเป็นคนผิดหวังมากติดอยู่ในสังสารวัตรพ่อขาด การละทานนี่แหละว่าการที่ข้าวออกดอกออกรวงทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวอะไรเนี่ยนะอาต่อไปมีจิตอนุเคราะห์แล้วจิงให้ใช่แยกกันพระละพอพึ่งเนะ่ ผลอึมฮึมฮึมฮึมฮึมต่อไปมีจิตอนุเคราะห์แล้วจึงให้ใส่บุรุษนั้นเมื่อผู้ใดได้รับความลําบากขาดแคลนสิ่งใดก็มีจิตคิดช่วยเหลือไหมมีจิตไหมอ่าจิตคิดช่วยเหลือที่จะให้เขาไม่มีเสื้อผ้าไม่มีเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็มีจิตคิดอนุเคราะห์ที่จะให้เขาด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ตรงนี้คือให้สลาขาดเนี่ยให้ให้ได้ขาดอันนี้ฟิล์มเนี่ยเขาขาดเธอขาดแคลนอะไรอ่ะมาอยู่นี่ขาดแคลนอะไรขาดแคลนข้อมูลความรู้ไงก็มีจิตคิดอนุเคราะห์ที่จะให้ไม่เบื่อนายขยยนะไม่เบื่อนายหนูขาดความรู้ไหมขาดความรู้ขาดไหมเนี่ยเออขาดความรู้ก็ให้ธรรมทาน ให้ข้อมูลความรู้ให้คำแนะนําต้องแนะให้ขมผ้าได้ไรายได้เนี่ยโดยไม่หวังนะพวกนี้ถ้าหากผลทานประเภทนีเ้เกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยเบญจา ก, กรรมคุณเนาะแล้วก็ให้แล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ของมาแล้วก็กล้ากินกล้าใช้กล้าสละกล้าลงทุนส่วนมีให้ทานโดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นอันนี้ บางคนให้ทานชอบกระทบคนอื่นชอบอวดเคยเป็นไหมชอบอวดชอบน้อยใจอะไรล็สารพัดเวลาให้ก็ชอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเคยเป็นไหมล่ะคนอื่นให้เยอะเราให้น้อยเราให้เราเราเก่งกว่าคนอื่นคนอื่นเก่งสู้เราไม่ได้ใช่ ไ, ไมากับทีสอนทองก็ถูกกระทบกระทั่งอา้าวเดี๋ยวสรุปในตรงนี้อีกหน่อยใน ทักคีนาวิพังกสูตรในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตุนะพระริจจ่าจำแนกอนิสงส์การให้ทานไว้นะตั้ง26กว่าประเภทนะให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานให้ทานแก่คนทุศีลให้ทานแกปุรุชนที่มีศีลให้ทานแกปุถุชนที่ปราศจากกามในการยินดีในกามถิภายนอกศาสนาให้ทานแก่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธให้ทานแก่บุคคล แก่พระโสดาบันบุคคลผู้ที่จะบรรลุที่บรรลุโสดาปิผลแล้วเป็นต้นไล่ไปดำดับเลยนะจนถึงให้ทานแก่พระอาหารแต่สามมาสัมบุตรเจ้าให้ทานแกนี่นี่สิบประการนี้ก่อนนะให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเคยให้ทานแก่มดไหมเคยไหมเคยเอาอาหารให้มดกินไหมเอาอาหารให้มดแมลงสาบกินเคยไหม จิ้งจกเอาทานให้ให้จิ้งจกกินให้นกกินให้ปลากินอ่าเวลาไปเลี้ยงเอาทานเอาอาหารเอาไปให้นกอาหารไปให้ปลาอาหารไปให้มดเนี่ยเลยเอาเอาอาหารอะไรไปให้ไปให้มดเคยเคยเอาน้าร้อนไปลวกมดไหมไม่เคยนะฮะต้องต้องฉลาดในการให้ไหมใหสุนัขให้แมวเคยให้ไหม ให้ปลาอย่างนี้เขาเรียกว่าให้แกษัตริย์เดรัจฉานถามว่าเวลาเอาอาหารไปให้กษัตริย์เดรัจฉานกับอาหารให้คนเนี่ยอันไหนมีความสุขกว่ากันฮะมไม่ทิดในใจหนูอะหนูหนูมีความสุขมากกว่านะใช่ไห ม, มพเพราะอะไรเพราะหนูวิปริตความคิดเนี่ยความคิดวิปริตไง หนูเลือกที่จะให้ทานแกคนทุศแกสัตว์เดรัจฉานให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานมีอนิสงส์กี่เท่าไหร่ครั้งหนึ่งอะร้อยชาติร้อยชาติให้หนึ่งร้อยอัตภาพเลยนะเอาให้ทานแกบุถุชนผู้ทุศีลล่ะให้แกทานกับคนที่ไม่มีศีลเนี่ยหนึ่งพันชาติต่างกันเยอะไหมร้อยชาติกับพันชาติต่างกันเท่าไหรห้ามต่างกันเท่าไหร่ เก้าร้อยชาติเห็นไหมเองเห็นในพวกไอ้ขอทานที่ไม่มีศีลเนี่ยเออทุศีลไม่รู้เรื่องเรื่องศีลเลยคนบ้าบ้าบ บ, บ, บเดินมาเนี่ยเองให้ทานมันอิ่มหนึ่งก็ให้ทานกับสุนัขอิ่มหนึ่งเนี่ยผลต่างกันเท่าไหร่เก้าร้อยชาติเห็นไหมผลในสงฆ์มากกว่าเยอะไหม ก็บวกกันไปก็บวกกันไปถ้าถ้าให้ให้สิบคนเหมือนกันมันก็มันก็ไปใช่ไหมล่ะอิ่มก็เอาอิ่มหนึ่งเป็นประมาณเอาอิ่มปลาเขาอิ่มคนเขาอิ่มมื้อหนึ่งอ่ะนะเอาอย่างนั้นอิ่มหนึ่งก็คือร้อยชาติของถ้าอิ่มหนึ่งของบุทุชนทุศีนก็พันชาติถ้าให้แก บ, บุทุชนผู้มีศีล ให้ทางแก่ปุถุชนที่มีศีลก็หนึ่งแสนชาติให้ทางแก่ปุถุชนที่พวกปราศจากกรรมแต่อยู่ภายนอกนะเช่นพวกฤาษีเนี่ยแม้ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้แสนโกดชาติแสนโกดชาติเข้าใจยังให้แสนโกดชาติถ้าให้ชานแก่ปุถุชน นะเน่ให้ทานแกผู้ประการที่ห้าคือว่าอั น, นอันนี้ประเภทปาติภุกฤกทานนะที่ให้โดยเจาะจงนะให้บุคคลให้ทานแกบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อต้องการที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันให้ทานแกบุคคลที่เป็นพระโสดาบันแล้ว ให้ทานแก่ บ, บุคคลที่ปฏิบัติที่จะเป็นพระสกทาคามีและพุนปนาคามีแล้วให้ทานแก่ บ, บุคคลที่เป็นอน า, าคารและเป็นอน า, าคามีแล้วหรือ บ, บุคคลที่ต้องการจะเป็นอาหารหรือเป็นอาหารแล้วให้ทานแก่พระปจเจพุริเจ้าให้ทานแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมเป็นปาเจบุก ล, ละลิกทานสิบสี่ประเภทเนี่ยก็คืออย่างนี้เขาเรียกว่ามีผลที่ใช้คําว่านับประมาณชาติไม่ได้ เขาใช้กำวมานับประมาณชาติไม่ได้แต่มีผลที่มากกว่ากันไปตามลําดับเลยนะแต่มันนับไม่ได้เพราะขนาดคนที่ได้ฌานสมาบัติภายนอกศาสนาไม่นับถือพุทธศาสนานั่นตั้งแสนโกรธชาติใช่ไหมถ้าเป็นปุถุชนที่มีศีลก็ตั้งแสนชาติเอางี้อย่างเน้นบอมถ้าให้ให้ให้แก่เน้นบอมเนี่ยถ้าให้เป็นปาฏิปุริยทานเนี่ยจัดเป็นปุถุชน ผู้มีศีลหรือจัดเป็นบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระโสดาบัน่ะว้าถ้าสมมติว่าอาจารย์จะให้ทานแกนหนูเป็นปลาติบกระลิกทานเนี่ยหนูคิดว่าผลของทานเนี่ยจะอยู่ในประเภทแสนชาติหรือหาประมาณไม่ได้อยู่กลุ่มไหนอะฮะ กลุ่มเป็นให้ปุตุชนผู้มีศีลหรือบุตุชนหรือกลุ่มบุคคลที่ปรารถนาจะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นกลุ่มเนี่ยถ้าเป็นเป็นบุคคลที่ปรารถนาจะบรรลุเนี่ยเป็นพระโสดาบันเป็นต้นนี้เขาใช้คําว่านับประมาณชาติไม่ได้ใช่ไหมถ้าถ้าฉันปรารถนาจะให้ทานกันหนูเนี่ยฉันควรได้อานิสงส์ในข้อไหนข้อแสนชาติหรือหรือหาประมาณไม่ได้แสนชาติใช่ไหมเพราะอะไร อ่าแล้วแล้วแฮมละ่ะไม่ได้มุ่งมั่นที่จะบรูุ้ธรรมใช่ไหมไม่ได้คิดเลยไหมไม่ได้คิดเลยเอกคิดว่าจะยอมถวายเราจะอยู่ในจัดข้อไหนจริงไงไม่ได้มุ่งมั่นบรรลุเลยคิดเหมือนกันใช่ไหมเรื่องบรรลุ คิดทุกวันไหมว่าเราจะต้องบรรลุชาตินี้ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วไง <c oughs> แล้วแล้วอย่างนี้ก็ต้องจัดเป็นบู้ดชนดีเนี่ยที่มีศีลดีใช่ไหมก็ได้แค่สารชาติเลยเนี่ย <c oughs> จริงเ <c oughs> งอ พันชายคนตู้ศีลสินี่เขาไม่มีศีลเลยแล้วหนูมีศีลไหมโอ้โหน่าเป็นห่วงเลยเฮ้ยต้องตั้งหลักใหม่ใหม่ทำยังไงให้ผลของทานของโยมเนี่ยให้มีผลมากเมียในสงมากตั้งหลักว่าจะบรรลุสิใช่ไหมตั้งปารธนาว่าเราจะจะบรรลุให้ได้บรรลุให้ได้ผลของทานของโยมจะได้ โอ้โหถ้ารู้ในความในใจอย่างนี้ยยมหมดความรู้สึกนั้นอยงใช่ไหมล่ะเสร็จเลยอันนี้นี่น่าเป็นห่วงนะเนี่ยในหนึ่งร้อยชาติพันชาติแสนชาติแสนโกรชาติแล้วก็ผลที่นับประมาณไม่ได้ นะตามลําดับนะทีนี้ส่วนให้ให้กระสงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีสงภิกขุสงเนี่ยสงสองฝ่ายอะไรก็แล้วแต่อันเ น, น, นี้อันนี้เ่องนี้เยมากอยู่แล้วเดี๋ยวได้เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะมีมีเศรษฐีคนหนึ่งนะมีเศรษฐีคนหนึ่งอเป็นเจ้าของวัดวัดหนึ่งได้ไปขอภิกษุ รูปหนึ่งมาจากสงด้วยว่าเออขอบคุณเจ้า น, นะส่งส่งพระรูปหนึ่งมาเพื่อจะต้องการอยากอยากจะอยากจะทำสังฆทานก็พระเขาเลยส่งส่งพระทูตศีลมาคำว่าทูตศีลก็คือพระศีลบกพ้่องมาพอได้มาแล้วเนี่ยโอ้โหยมนี่เป็นยมมีความรู้ในพระธรรมวินัยนะ เป็นเจ้าของวัดที่จสร้างวัดขนาดนี้เขาก็น้อมดูแลล้างเท้าเช็ดเท้าปูอาสนะน้อมถวายแด่สงมีพุทธิยาเป็นบุอย่างนี้เขาทาถูกไหยคําทําถูกเลยเขาไม่ได้มองว่าไม่ปุถ้พะทุศีลมาหาเราเลยแต่เขาน้อมไตที่สงเลยน้อมถวายสงมีพุทธิยาเป็นมุคคเรียบร้อยเลยคำว่าสงไตที่นี่หมายถึงพระโสดาบันสกอาทานะคาพรารานนะเขาน้อมถวายอริยสงนะนะท่านผู้นี้เป็นพระทูศีล เรื่องคุณน่ะคุณทาบาปเองก็เศร้าหมองเองไม่ทําบาปเองก็หมดจดเองความหมดจดหรือความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนเนี่ยใครจะไปทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ได้ไหมไม่ได้ทุกคนต้องทําเองฝึกฝนเองพัฒนาเองว่างนั้นเถอะพอเสร็จแล้วก็ไปเลยแต่พอต่อมาตอนเย็นๆเนี่ยพระรูปนี้กลับมาขอยิ้มจอบเนี่ยเขาใช้เท้าเขี่ยให้เนี่ยในกรณีอย่างเี้ยปุ๊บ ก็เร็วเออวายวายอมยอมยก็เลยบอกโอ้มุดเช้าถวายสงฆ์แต่ตอนนี้ก็ใค่คนทุสีนี้เป็นตนน้นนั่นเรื่องหนึ่งฉะนั้นการถวายแด่สงฆ์เนี่ยการถวายแด่สงฆ์มีผลมากผลที่ยิ่งใหญ่มากมีเรื่องหนึ่งนะในวิมานวัตถุทัตทันลวิมานวัตถุอันที่สองของสังฆทานก็ อ, อย่างนี้มีเท พ, พ ธ, ธิดาตนหนึ่งชื่อว่านางนางพัฒนาเทพทธิดา ผ, ผู้พี่สาวก็ถามนางสุพัธทธาที่เป็นน้องว่าท่านรุ่งเรืองด้วยรัศมีทั้งเป็นผู้เรืองยศ ด, ด้วยรุ่งเรืองรุ่งเรืองร่ว ง, ง, งเขาคือมากกว่าเทวดาชั้นดาวดึงทั้งหมดเลยวังนันเถิดด้วยรัศมีไม่เคยเห็นเลยเพิ่งจะมาเห็นในวันนี้เป็นครั้งแรกท่านมาจากจากเทโวโลกชั้นไหนเขามาจากชั้นที่สูงกว่าใช่ไห นางสุพัท ธ, ธาที่เป็นน้องสาวตอบบอกว่าข้าแต่พี่พัท ธ, ธาฉันเชื่อสุภัท ธ, ธานะหวังให้เถอในพบก่อนครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ดิฉันได้เป็นน้องสาวของพี่ทั้งเคยเป็นอะไรเป็นภรรยาร่วมสามีเดียวกับพี่ด้วยดิฉันตายจากมนุษย์นั้นแล้วได้มาเกิดในเทพธิดาสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีอันนิมมานนรดีอยู่ชั้นไหน ชาตมหาราชจกาตาติงสายามาดุสิตานิมานอรดีชั้นที่ห้านิมานอรดีเนี่ยให้ทานแบบไหนถึงไปเกิดในชั้นนี้ได้ให้ทานด้คิดยังไงให้ทานด้วยจิตใจยังไงถึงไปเกิดในชั้นที่นี้ได้าจริงเหรอ แบบนี้ใช่ไหมให้ทานแบบนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ให้ทานแบบประเภทที่เป็นเป็นหมหาทานเหมือนฤๅษีในปางก่อนหรือเอาไงเราเราหุงกินเองได้นักบวชหุงกินเองไม่ได้การไม่ให้ไม่สมควรกับเรานี่พวกที่ไปเกิดในชั้นดุสิตไม่ใช่หรือ ใช่ไ้มใช่ไหยบอมไปเกิดในชั้นดูสิตต้องให้แบบจำแนกแจกทานเนี่ยให้แบบนี้เนือให้แบบไหนที่ไปเกิดในชั้นนิมมาราดีใช่ ถ้าถ้าให้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไปเกิดในการเกิดในชั้นนิมราวดีก็ว่ากให้ทานบอกว่าไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทานไม่ได้ให้ทานเพาเห็นว่าทานนั้นเป็นของที่ดีไม่ได้ให้ทานตามตามบรรพุ ท, ที่ทํามตามกันมาไม่ได้ทานตามโดยคิดว่าสำนักพราหณ์หุงกินเองได้เราหุงกินเองเออหุงกินเองไม่ได้เราหุงกินเองได้การไม่ให้ไปสมควรแต่เป็นการให้แบบจําแนกแจ ก, กทานเหมือนกับฤาษีในปางก่อนให้ที่ให้มหาทานมาแล้ว ถ้าให้ทานแบบนี้จะไปเกิดในชั้นนิมนานนดรดีเนาะอ่าทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาวิเคราะห์คือเขาให้ทานเนี่ยเขาให้ทุกอย่างมันคล้ายๆมหาทานนี่แหละเออมันคล้ายๆสังฆทานนี่แหละเขาน้อมถวายทุกอย่างของที่มันมีอยู่ของที่มันขาดแคลนเขาคือให้ตั้งแต่ของละเอียดไปจนถึงของใหญ่อะ่ะให้จนรู้สึกว่าคนเขาหวังอะไรมันได้ มองเห็นนี่ยังเขาปรารถนาไรายได้หมดปรารถนาที่อยู่อะที่อยู่ก็ให้สปาทีปก็ให้เครื่องนุ่งห่มก็ให้อาหารก็ให้สายนาสนะก็ให้คือให้จําแนกแจ ก, กเหมือนฤาษีในปางก่อนที่เขาสละทุกอย่างให้ปูพรมเลยว่าอย่าเถอะไอตัวมหาทานมันก็เป็นอย่างนี้ตัวสังฆทานก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละการให้ทานโดยโดยโด ย, โดยน้อมสงฆ์เนี่ยเข้าใจยังให้ท า, านประเภทเนี้ยเอ่อเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในเช้นชั้นยิมานอะไรอดี สิ้นกรรมสิน้นฤทิตสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ก็ว่าไปใช่ไหมล่ะให้ทานประเภทนี้มันจะเกิดในชั้นนิมมานนารดีนิมานนารดีเนี่ยคิดอะไรแล้วมันสมปาถนาหวังอะไรแล้วมันได้หวังอะไรแล้วสมหวังนี่เป็นหนี้เข้าใจยงงังลองนั่งหวังที่อยากจะกินแกงไก่แกงไก่แกงไก่ลองนึกดูที่จะได้กินไหมเนี่ยนึกไหมยอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยากจะเท้าแคบนึกจะไ ด, ไ, ได้ไหมได้ไม่ได้ ลองนึกที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตียยเตยยเต๋ยวนึกว่าจะได้ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยไว้ถ้าคนเขาสร้างเหตุปัจจัยไว้คิดมาเลยร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่ได้เลยต้องวิ่งพลาดเลยคิดแค่นี้ยเขาจะยั ง, ยงมันอยู่ไม่ได้หรอกนี่ <c oughs> นางสุภัสธาเนี่ยไปเกิดในชั้นนิมมารดี นะนี่ฉันมีความเลื่อมใสเขา ก, ก็บอกว่าดูก่อนแม่สุภัสธาขอให้เธอบอกการอุบัติของเธอในหมู่เทพชั้นเหล่านี้มารอดอยซึ่งเป็นสัตว์ได้ที่ได้สั่งสมบุญไว้มากแล้วจึงได้มาบังเกิดเธอได้มาบังเกิดที่นี่เพราะทําบุญกุศล ส, สิ่งใดไว้และใครเป็นครูแนะนําสั่งสอนเธอเธอเป็นผู้เรืองยศถึงความสุขอันพิเศษไพ่บูชเช่นเนี้ย พอได้ให้ทานรักษาศีลเช่นไรไว้เมื่อฉันถามแล้วขอจงบอกผลนั้นด้วยว่างั้นเถอะนี่เขาอยากจะรู้นางสุพัตธาก็ตอบว่าเมื่อชาติก่อนดิฉันมีใจเลื่อมใสได้ถวายบินทบาทเจ็ดที่แกสงผู้เป็นทักษนยาบุคคล8ปดรูปด้วยมือองตนเองโดยกรรมนั้นดิฉันจึงมีวันนางามเช่นนี้และได้มีรัศมีสว่างสวัยทุทททกทุกทิศ ทีนี้นางพัทนาเทพธิดาก็ได้ถามต่อไปว่าพี่เนี่ยเลี้ยงดูพระภิกษุทั้งหลายเป็นผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ให้อิ่มหนำสําราญด้วยข้าวและน้ําได้มือองตนเองมากกว่าเธออีกนะมากกว่านะขั้นให้ทานมากกว่าเธอแล้วก็ยังได้มาบังเกิดในเทพต่ํากว่าเธออีกส่วนเธอให้ทานเพียงเล็กน้อยอย่างไรจรึงได้ผลพิเศษไพ่บูรณ์เช่นนั้นเล่าว่างั้นเถอะฉันถามเธอแล้วใช่ตอบด้วย ท่านก็บอกว่าเมื่อชาติก่อนนะพี่ฉันได้เห็นภิกษุสงฆ์ที่อบรมจิตเพื่อคุณนันยิ่งใหญ่จึงได้นิมนต์ท่านมาแปดรูปด้วยกันมีพระเลวตาเป็นประธานว่างั้นแล้วก็ด้วยถวายพระทหารท่านเลวตาเนี่ยอนุเคราะห์ประโยชน์อนุเคราะห์แก่ดิฉันจึงบอกดิฉันว่าอย่าได้ถวายเป็นปาติบุคคิทานเลยจงถวายแ ด, ด่สง ทักขีนาของเธอจะได้เป็นสังฆทานอันดีฉันได้เข้าไปตั้งแวดในสงเป็นทานที่ไม่อาจจะปริมาณผลได้ว่ามีอยู่เท่าไหร่เป็นต้นส่วนทานที่คุณพี่ได้ถวายใหญ่ภิกษุนั้นเนี่ยเป็นการถวายแบบลายบุคคลจึงมีผลไม่มากนางก็เลยบอกว่าพี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าการถวายสังฆทานนี้มีผลมากถ้าว่าพี่ได้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์อีก จกเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอแล้วก็ปราศจากความตณีและจะถวายสังฆทานและจะไม่ประมาทเพ็นนิสเมื่อสนทนากันเสร็จแล้วนางสุภัธาเทพยาก็กลับวิมานของตัวเองในชั้นิมานดลดีตอนนั้นน่ะท้าสาก่าได้ยินก็ตรัสถามนางบอกว่าเออเทพพิดาท่านนั้นเป็นใครมีรัศมีสว่างสวัยรุ่งโรจน์เหลือเกินนางพัธาก็บอกว่าเมื่อพอบรรุก็เลยเล่าให้ฟังเล่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมา ท้าวสก่า ก, ก็บอกเทพพดานั้ น, นี่ยเมื่อชาติก่อนยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยถวายสังฆทานจึงได้ไพร่โรดอย่างนี้ถามจ้ะท้าวสก่า ก, ก็เลยบอกว่าโอ้โหสังฆทานบอกว่าดูก่อนนางพัฒนาน้องสาวของเธอไพร่โรดกวก่าเธอก็เพราะเพรา ะ, เพราะเหตุในปางก่อนคือการถวายสังฆทานที่ไม่อาจจะปริมาณผลได้อันที่จริงฉันก็ได้ทูลถามพระเจ้ทาที่ประทับที่เขาคิชกูดถึงผลแห่งทายธรรมที่จัดถวายในเขตที่มีผลมากกว่านั้นเลย นั้นผู้มุ่งบุญง่ายทานปราถนาเหตุแห่ง ก, การเวียนวน่า้ตายเกิดเนี่ยต้องถวายทานที่มีผลมากมีเดชสงมากอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นพอจะจับประเด็นได้นะว่า เ, ออเวลาเราน้อมถวายเดชสงกับถวายบุคคลเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้เวลาเราจะถวายทานเราน้อมสองหรือน้อมบุคคลน้อมสองอยู่เข้าใจนะ เอาแล้วจะหมดเวลามีใครจะถามอะไรไหมหนูถามอะไรไหมหมดความสงสัยแล้วหมดกังขาแล้วนะโอเคอ่ะ